อาจารย์ครับการนรมสัส ก, การครับผมอจาริ์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่247แล้วนะครับอ่าจารย์เมื่อเช้าไปบินบาบคนใส่บาตรกันเยอะไหมครับผมก็ประมาณ400กับ7คนวันนี้น้อยหน่อยครับผมก็แต่400ธรรมดา400กว่าขึา้นไปอาจจะเป็นพระรอาค์จ่ายหรืเปล่า อ๋อวันนี้อใกล้แต่ตดจีนนะครับครับผมแล้วใส่บาททางบ้านก็เยอะไหมครับอาจารย์ครับเป็นไงนะทางบ้านทางบ้านใส่ออนไลน์กันมาเยอะไหมครับอาจารย์เออก็ประมาณสองร้อยเหมือนเดิมครับผม200สองรอยครับแล้วฟังทํามตอนบ่ายเยอะ มันทำทำาันนี้ก็ร้อยแปดสิบแปดครับอาจารย์รวมทั้งที่บ้านเราก็เจ็ดร้อยเก้าสิบกว่าเจ็ดร้อยเก้าสิบกว่าคนครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กันในนี้ประมาณเจ็ดร้อยครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับวันนี้อผมตั้งหัวข้อเรื่องปฏิบัติธรรมให้เห็นผลครับ จะขอปัญญาจากพระอาจารย์ให้เราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เราได้เห็นผลในระยนใกล้ครับพระอาจารย์ครับกลับขอควาเมตตาครับก็ปฏิบัติแบบที่เราสวดกันอยู่ทุกวันนะสุปฏิปันโนสามปสังโฆยายะปฏิปันโนอุจโยปฏิปันโนยาญาปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนนี่คือการปฏิบัติเพื่อให้บรรลาผลนิพพานต้องปฏิบัติสี่ลักษณะด้วยกัน สมปฏิบัติโน่ก็ต้อปฏิบัติดีขัาวศูนย์ขบว่นดีสมปฏิบัติโน่ก็ต้ปฏิบัติดีปฏิบัติดีก็ต้องมเรียนหนังสือดีหนังสือดีก็ต้องได้สี่จุดที่มันทุกวิชาได้เก่งไ่้โยมนต้องเป็นปฏิบัติเต็มที่เต็มร้อยถึงถึงจะได้ได้ได้เต็มร้อยได้คะแนนเต็มร้อยได้สี่จุดไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิหรือปัญญานี้ต้องเต็มร้อย อขั้นที่สองอุชูก็คือปฏิบัติตามหลักสูตรที่พเจ้าได้วางไว้มีกี่วิชาต้องปฏิบัติก็ต้นตอนปฏิบัติตามไม่ใช่เรื่องเอาวิชาวิชานี้ยากไม่ขอปฏิบัติได้ไหมเช่นสมาธิมันเข้ายากเกินหน้าสมาธิมันไม่ยอมลบละทิขอข้าไปขั้นปัญญาเลยได้เปล่าไม่ได้ถ้าข้ามไปก็ปัญญาก็ไม่เป็นภาวนาเมย์ปัญญาพ็จะน่าแค่สุตตะมิจินตา ม, มย์ปัญญา มันก็ละสังมิบลไม่ได้ต้องต้องปฏิบัติตามหลักสูตที่พระยาทรกำหนดไว้อุชุปฏิบัติตรงต่อหลักสูตรข้อที่สามยายยาปฏิบัติโนปฏิบัติเพื่อการบรรนจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะได้เอาอย่างอื่นเป็นรางวัลเช่นได้รามยุบสนเสริญ ปฏิบัติดีบางทีเขานิยมพาลูกนี้ปฏิบัติดีไปทําบุญกับท่านเยอะๆหน่อยอะไรได้ลาภจากาละขึ้นม า, านได้ยศได้ตําแหน่งขึ้นมาอย่างนี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสิ่งเหล่านี้ถ้าปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นซึ่งส่วนใหญ่ท่านจะไปปฏิบัติแบบไม่มีใครรู้ว่าพวนี้เขาจะไปเปรกไม่เมฆไปอยู่ตามป่าทําเขากันถึงจะถึงจะหลุดพ้นได้ถ้าปฏิบัติงานบ้านตามเงี่ย ในว่าใเรืเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรลเกี่ยวข้องการลาบสการะหน้าที่ต่างๆตําแหน่งต่างๆนี่ก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้ให้คนที่อยากจะหลุดพ้นจริงๆเพื่อหลุดพ้นจากคามทุกข์ต้องสลดหมดนะตาแหน่งยศอะไรต่างๆนี้มีอยไปไปเปรียบไม่เมืองอยู่ตามป่าตามเขาหรือว่าอยู่ตามสำนักของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติกัน ภาพปฏิบัติจริงๆท่านจะไม่สนใจกับเรื่องรามสักานะสนใจอย่างเดียวก็คือการทําให้ความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปนี่คือปั๊บปฏิบัติเพื่อการลดพ้นจากความทุกข์ยะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติให้ถูกถ้ามัให้ปฏิบัติแบบผิดปฏิบัติผิดมันก็ไม่ได้เงินกองก้มแล้วจ่าเลอยไม่มีการสำรวจไม่มีการควบคุม ใจให้อยู่กับกรรมฐานจริงเขาจะเอาปฏิบัติผิดยันเกี่ยวชั่โงงใจก็ไม่สมงบใจก็ไม่นิ่งปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทำที่พระเจ้าทรงสอนไว้นี่คือลักษณะของการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการทําลายสามโยต์ทั้งสิประการที่เป็นตัวผูกมัดจิตให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตาย อันนี้คือปฏิบัติแบให้ได้ผลซึ่งส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตก็ต้องไปเป็นนักบวชกันครับอาจจะมีเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่อาจจะได้มีบา ร, รมีเก่ามามากแล้วสามารถบรรลุธรรมได้โดยที่ไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องบวชก็ได้มีน้อยแต่ไม่อยู่ธรรมะบางคนนะครับว่าได้สะสมบา ร, รมีมาบ้าแต่ภพนิชชันนี่เขาอาจจะมีภาระมีความผูกพันหรือมีอะไรที่เขาไม่สามารถ ไปบวชได้แต่คําว่าจจะบรรลุทําได้ครับแต่มี่มีน้อยส่วนใหญ่ที่ไปบรรุบังคับผลนิพพานกันมากจะเป็นพระภิกษุเี็นัก บ, บวชทานครับพระอาจารย์ครับแล้วถ้าเป็นฆราวาสอยู่แล้วบรรลุนี่ไปบวชเลยไหมครับพระอาจารย์ในในประวัติก็ฆาวาสที่บวชเพราะว่าไม่รู้จะอยู่เป็นฆราวาสไปทำไม ทั้งวก็ขอพระเจ้าบวชเป็นพระต่อเลยพระจารยมาเอหิภิกขุสัมปทางจงมาเป็นภิกษุเถอเวลาแสดงทํามกันกับค า, า, วาวราวะพอาะคารวะเขาได้มารลุทํามแล้วเขาก็ขอบวชเลยบางคนขอบวชแต่กรรมมันมั น, ม, นมันวิบากกรรมมันเกิดที่คนนึงได้ฟังทําอย่างพระเจ้าในการนุที่บัญฑาร พระเจ้าตัดสอนว่าวิถีเธอต้องทําให้จิตแห้งสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเขาก็บรรลุทําได้เขาขอลาพระเจ้าไปเตรียมตัวออันตรายการเพื่อจะมาบวชระหว่างทางก็ถูกกระเทงขวิดตายพอพระเจ้าทราบข่าวพระเจ้าก็บอกว่าให้บรรจุอธีของเข้าไว้ในสตูสร้างสตู ข, ขึ้นมาแล้วบัญจุอัธิไว้การจะอธิของใครไปบรร บรรจุในสถูปนี่ก็หมายถึงว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารหรือเป็นพระมหาจักรพรรดิสี่บุคคลที่เหมาะสมก่อการที่จะเอาอธิบายบรรจอไว้ในสถูปเพงก็มีมีบางคนบรรลุแล้วก็ยังไม่ทันได้โบยก็เสียชีวิตอันนี้ก็จะมีการเข้าใจผิดว่าถ้าบรรลุเป็นอาหารแล้วไม่ได้บวยก็จะต้องตายก่อนภายในเจ็ดวันอันนี้ก็เป็นความบังเอิญ เช่นพระพุทธพระบิดาพระพุทเจ้าพระบรรลุเจ็ดวันก่อนจะเสด็จสอนอีคนเพราะวตอนนี้ท่านเป็นฆราวาสท่านบรรลุแล้วตายภายในเจ็วันเพราะท่านไม่ได้บวชเป็นพระยังไม่เกี่ยวกันเรื่องความตายของร่างกายกับเรื่องของจิตของพระอรหันต์นันมีคนสองเรื่องกันแต่พอดีมันไปโยงกันสองรายการนี้มันพอดีคนนี้บรรลุธรรมว่ายังไม่ได้บวชก็ถูกกระเทงกิดตายอีกคนหนึ่งก็บวชแล้วแต่ตายภายในเจ็วันไม่ได้บวช เรานั่งประชวนนอนอยู่บนเตียงยังไปบวชได้ยังไงครับอาจารย์ครับอาจารย์คารวะไม่ต้องกลัวนะถ้าบรรลุเปน็นพระเราจะจะจะตายภายในเจ็ดวันไม่มีเหตุไม่มีผลนะถ้าไม่ได้บวชบางคนกลัวไม่กล้าบรรลุเลยครับอาจารย์กลั ว, ลวรครับอาจารย์ครับแล้วการปฏิบัติต้องไล่ไปจากทานศีลภาวนานอย่างนี้เสมอไหมครับอาจารย์มันก็มีส่วน เพราะว่าถ้าเราเป็นคารวาวเรายังยุ่งเกี่ยวกับเงินทองอยู่เรายังต้ออาศัยเงินทองอย่างไ้ยก็เพื่อเลงชีพค่าหรือปัจจัยสี่ก็ต้องมีเงินทองก็ยังอาจจะต้องไปหาเงินทาวงก็ไปทํางานอยนู่อย่างเรากรณีเรายกตัวอย่างนี้เรา่าเราก็ต้องอาศัยเงินทองในสมัยที่มีคาราวาถ้าเราห ย, ยู่ปฏิบัติในเพศของคาราวาก็ต้องมีเงินสําหรับจ่ายค่าปัจจัยสี่ที่เงินมันหมดทั้งเงินที่เก็บไว้มันหมด ถ้าอยากจะอยู่เป็นคารวาต่อไปก็ต้องไปทํางานไปหาเงินไงก็จะไม่ได้ปฏิบัติเท่าที่ควรเพราะทําทงานนี้เวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับการทํางานวันละแปดชั่วโมงอย่างน้อยเวลา จ, จะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีทางปฏิบัติได้เอถ้าถ้าถ้าอยากปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนก็ต้องไปบวชนะก็เลยไปบวชพอบวชก็เงินทางก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องแล้วเงินทางที่มีเราอยู่เท่าไหร่ก็ไม่ต้องใช้มันนะ พรตัว อ, อย่างฟรีหมดเนี่ยพอมาบวชแล้วข้าวก็ฟรีที่อยู่ก็ฟรีเป็นเงินทองแล้วไม่จําเป็นจะต้องมีแล้วก็มีเวลาให้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั้นถ้าใครอยากจะไปทางนี้จริงๆต้องไปไปแบบนักบวชในป่าอยู่แบบคาราวานมันมันต้องมากังวลกันเรื่องเงินทองจะเก็บเงไว้กี่ตังดเเีเราจะเราจะพ อ, พอใช้หรือไม่อะไรถ้าเกิดให้ไปได้วยังหมดทัน ห, หมดก่อนที่เราจะบรรลุจะทําทยังไง มันก homes, so them, ็จะเป็นเรื่องให้กังวลอยู่เรืยพอตัดเงินเงินทองไม่ได้วไปบวชได้เงินทองว่าม่นจะเป็นก็ทําทานไปให้หมดเลยนะมีกี่ทานก็ชลระไปหมดนะพอพอมาบวชแล้วไม่ต้องใช้เงินสำหรับปัจจัยสี่ยังท่านทานถ้ายังเป็นคารวนอยู่ก็ต้องพยายามละลดละการอาศัยเงินทองเรืองไหนที่สุดก็เลิกอาศัยเงินทองไปเลยจะดีกว่า พรมีมัินทองอาศัยเงินทองมันก็อคอยกงังวลคอยต้องหามาเพิ่มเยอะเล ย, เลยอ่างั้นต้องทําการได้มีค่าวบ้านอยู่ถ้าเป็นทั้งหมชแล้วพระเจาา้าสอนให้เน้นที่ศีลสมาธิปัญญาเลยศีลก็ศีลสองร้อยิบเจ็ดข้อของพร ะ, ะเนี่ยเราเน้นการเจริญสติทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้เข้าฌานให้ได้มันเข้าฌานให้ได้แล้วนี่เอาปัญญาที่เราได้ได้ได้ยินได้ฟังได้พิจารณามา ก็จะกลายเป็นภาวนาไม่รัปัญญาก็จะมีกำลังที่จะหยุดณสัมยนตนได้ทั้งสิบข้อ<ม>กรับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่ให้ปัญญาครับผมมากเวลาพระเจ้าแสดงมากนิดแล้วแต่ว่าท่านแสดงให้ใครฟังเนยถ้าเป็นสัทยาติอยู่คารว่ า, านจะสอนทานสีนภาวน า, น า, วนาก็คือาาทานสินสมาธิปัญญา ภาวนาก็คือแ บ, บ่งเป็นสองขั้นขั้นสมาธิและขั้นปัญญาสมถะภาวานาก็ขั้นสมาธิวิปัสาาานาภาวนาก็ขั้นปัญญาแต่ถ้าสอนพระท่านก็นเน้นศีล ส, สมาธิปัญญาไปเลยตายสิกขาอย่างตอนนี้คุณหมอปวดก็ไม่ได้สอนให้ทําทานนะ ก, นก็สอนให้ซึบตายสิกขานะให้รู้จักรักษาศีลให้ให ร, รู้จักนั่งสมาธิให้รู้จกัจกเจริญปัญ ญ, ญา ขอบคุณพระอาจารย์ครับอาจารย์ครับขอโอกาสถามจากเพื่อนๆนบ้างนะครับคุณแว่นบอกว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ สามารถจะบรรลุธรรมได้หรือไม่ครับและสมัยพุทธกาลเคยมีบุคคลกลุ่มนี้บรรลุธรรมหรือไม่ครับในสมัยพุทธกาลนี่เราไม่ทราบเนนะื่อเพราะไม่ได้ศึกษามากแต่บรรลุได้เพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศมันเป็นเรื่องของของจิตนะจิตไม่มีเพศ การที่เราาแยกเพศเพาจิตแต่ละดวงนี่ชอบ <c oughs> ไม่เหมือนกันเพราะอย่าง aslında. จิตที่ชอบผู้หญิงก็เป็นอย่างหนึ่งจิตที่ชอบผู้ชายก็เป็นอีกอย่างจิตที่มีร่างกายเป็นผู้ชายแต่ไปชอบผู้ชายก็เป็นอีกอย่างแต่มันก็เป็นจิตเหมือนกันที่ชอบเรื่องเพศมันเหมือนกันเรื่องบุคคลที่ชอบไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะเวลามาบวชก็ต้องต้องต้งห้ามเรื่องความอยากใ น, นเรื่องเพศอยู่แล้วตั้งแต่ต <t> ั้งแต่ชือศีลแปดศีลสิบตอนบวชเป็นเองก็ ห้ามต้องถือศีลพระมจรัจจันนะพระมัจรญาเพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหานี่มันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเป็นกระเทยสมมติถ้าใช้ภาษาเป็นผู้ชายแต่เป็นจริตชาอบผู้หญิงให้จริตชาอบผู้ชายด้วยกันนี้ถ้ามาบวชเป็นพระแล้วอยู่กับผู้ชายพระเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมันก็ จ, จะมีปัญหาได้ท่านก็เลยอาจจะห้ามถ้าที่เข้าใจท่านห้ามเพราะว่ามาบวชนะ้วมันอาจจะมีปัญหาเพราะว่า มาอยู่ใกล้ๆกับพระที่เป็นผู้ชาย mm. ก็อาจจะมีมีมีการนี้ที่เกิดขึ้นบ่อยๆการนี้อย่างนี้ที่เป็น mm. อภัยสาวน้ามาอยู่แล้วก็มีไปทําอะไรกับอาพาธด้วยกัน mm. แตับางทีเขาก็ไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่ใครยังมาบวชบางทท่านก็นะ แ, แล้วแต่อุป चarya ว่าท่านจะเข้มงวดหรือไม่บางทีท่านไม่เข้มงวดท่านก็รับหมด จะมาบวชก็รับให้มีสัทธาท่านกลับไปก็มีข่าววิ่เลื่นไม่ใช่ง้างบวชที่ทําทำตัวตุ้งติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีปัญหากระหมูคณะนะครับอาจารย์ใช่ว่ามันต้องแยกกันนะร้านนี้เขาจะไม่ให้เพศหญิงกับเพศชายอยู่ใกล้กันเปนเหมือนน้ำมันกับไฟต้องแยกกัน แมแต่ลารวาที่ไม่อยู่ว่าที่เขาก็มีที่อยู่ของผู้หญิงที่อยู่ของผู้ชายไม่อยู่ในโซนเดียวกันอยู่แยกกันคนละโซนครับอาจารย์ครับผมเคยได้ินว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้คุยกันสองต่อสองในที่รับตาไม่ใหอ้อย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ให้คนละวะในที่รับหูรับตาเพิ่ อ, อยู่สองต่อสองพอจะคุยเกี่ยวกาบราศีกันก็ได้หรืออาจจะเกินไปกว่า น, นั้นก็อาจจะมีการเลิกหรือมีการเสพ ไม่ทุนก็ได้ในการก็เลยต้องเวลาภาดอยู่กับผู้หญิงนี่ต้องมีผู้ชายหนึ่งคนอยู่ด้วยมันเป็ น, เ ป, นเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยและผู้ชายต้องต้องเป็นคนที่รู้เรียนสาไม่ใช่เอาเด็กทารกมันอยู่เป็นเพื่อนด้วย ต, ต้องเป็นถ้าถ้าเป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กรู้เรียนสาครับ <Yeah. S 1> ถึงจะอยู่กับผู้หญิงได้แม้แต่ผู้หญิงไม่ใช่คนเดียวตามผู้หญิงเป็นสิบก็อยู่ไม่ได้นะผู้ตามความหลักแล้ว พระอยู่องเดียวกับผู้หญิงไม่ได้ในที่ที่รับหูรับตาเขามีมีอย่างน้อยมีผู้ชายหนึ่งคนจะเป็นพระก็ได้เป็นเนนก็ได้เป็นฆราวาสก็ได้ครับแล้วอย่างเดียวนี้มีโทรศัพท์นะครับพระอาจารย์คุยกันอย่างนี้ได้ไหมครับพราะนั้นะอ่ะมันก็มันเป็นเรื่องที่มันไม่มีในสมัยพุทธกาลก็ <laughs> อย่างเคยพูดไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้ายัางอยู่สึงวันเนี้ย สินปฏิสินของพระอาจจะเกิน227ข้อก็ได้ครับอาจจะเป็น300 500 800ข้อแล้วก็ได้เพราะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่มีในสมัยพุทธกาลศิลแต่ละข้อในสมัยพุทธกาลก็เกิดจากการที่มีพระไปประพฤติวิชชอบชาวบ้านเห็นแล้วไม่ศรัทธาก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทราบข่าวก็เรื่อยมามาสอบถามแล้วพอทราบว่าทําอย่างนี้จริงๆท่านก็บอกว่าไม่ไม่ควรจะทําก็ เป็นข้อห้ามขึ้นมาแต่คนที่ทำผิดข้าง้งแรกนี้จะไม่ไม่ถือโทษเนี่ยให้ผ่านเพราะว่ายังไม่มีกฎห้ามครับคุณอาภาพรบอกว่าดูแม่จนวาระสุดท้ายแต่พอแม่เสียในใจยังโทษตัวเองเสมอว่ายังดูแม่ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างนี้ควรจะปล่อยวางอย่างไรครับเขอปล่อยวางคือมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้ว เราไม่สามารถย้อนกลับไปทําอะไรใหม่ได้ถ้าคิดว่าไม่ดีถ้าที่ควรก็พยายามปรับตัวเองถ้ายังมีพ่ออยู่ว่าดูแลพ่อให้ดีกว่าเก่าหรือถ้าไม่มีก็พยายามเตือนใจต่อไปพบหน้าช้หน้าถ้าเกิดเราไม่พ่อมไม่แม่ก็คนที่จะทำให้มันดีกว่านี้ก็ทําได้เท่านี้เองอดีตเรากลับไปย้อนอนดีตกลับไปเปลี่ยนมันไม่ได้ อละอา จ, จะเต็มแต่ ว, ว่าสำหรับอนาคตต่อไปที่ที่จะต่างหานกะันได้ปัจจุบันผู้หญิงจะสนใจปฏิบัติธรรมมากกว่าผู้ชายอย่างนี้เป็นเพราะเหตุใดครับเพราะผู้หญิงอาจจะไม่มีที่ระบายเหมือนกับผู้ชายผู้ชายมีบามีผับมีซ่องมีอะไรเยอะแยะล้วงแล้วขณะทําในประเพะนิเขาก็ไม่ค่อยเอาเรื่องผู้ชายเท่าไหร่ผู้ชายมีช่้นี่ไม่นุนดนเท่ากับผู้หญิงมีชู้ เป็นผู้หญิงไม่มีที่ระบายก็ต้องประอาศัยเข้าวัดไหวพระสวดมนต์ฝึกสมาธิแทนนั่งสมาธิแทนทําบุญทําทานแทนทําไมคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าอายุยืนปแปลว่ามีบุญครับทั้งที่ร่างกายท ร, รมานตอนอายุมากครับเพราะคนอยากจะอยู่ความอยากอยู่เลยทําให้เห็นว่าการมีอายุยืนยาวนานก็ได้ไ ด, ได้ตามตามความปรารถนา และเขาไม่ได้มองว่าอยู่แบบไหนเขาส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าอยู่แบบแข็งแรงอยู่แบบมีกำลังวังชาที่จะทาอะไรตามที่เคยทำได้เขาไม่คิดถึงเรื่องความเจ็บความแก่ความตายเขาไม่กล้าคิดเขาไม่อยากจะคิด เ, เ, ยยเขาเลยจำเลยว่าเขาจะต้องแก่เขาจะต้องเจ็บไายได้ปวยคุณสัมพรครับมหาสติปฐานสี่เอาอยู่ไหมครับสาหรับการปฏิบัติธรรมพื้นฐานครับ ได้บรรลุเลยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเนี่ยบรรลุเป็นขั้นถ้าไม่ได้ผ้าหลานนั่นก็วอกได้ผ้านาคาเีงท่านลองจะผ้าหลานลงมาปัจจุบันยังยังมีการบวชภิกษุณีอยู่ไหมครับก็แล้วแต่เอสําน่งไหนที่เขายังถือว่าบวชได้เขาก็บวชสํานักไหนที่เขาถือว่ามันบวชไม่ได้แล้วก็ไม่บวชเช่นในประเทศไทยนี้เราถือว่า การบวชภิกษุณีในเทราวะของประเทศไทยนี้ทําไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีพิกษุสงฆ์เป็นทูตทําการบวชให้เพราะการจะบวชพิกษุณีนี้ต้องมีทั้งภิกษุสงฆ์แล้วก็มีพิกษุณีคือหมายถึงต้องมีพระสงฆ์อย่างน้อยสิบรูปพ้าพิกษุณีสิบรูปแล้วบวชสองครั้งทั้งแรกบวชกับพิกษุณีสงฆ์ก่อนแล้วค่อยมาบวชกับภิกษุสงฆ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ทําไม่ได้นะเพราะไม่มีพิกษุณีสงฆ์ ฝึกความเพียรคนเริ่มต้นอย่างไรดีเพื่อจะเอาชนะกิเลสครับเอาจากเท่าที่เราทําได้ไปก่อนเนี่ยเช่นเราติดติดกาแฟหรือเปล่าลองเลิกกินเดื่ดกาแฟได้ไหมเท้ากินเดือดได้ไหมไมมันมีประโยชน์อะไ ร, รพยายามเลิกในสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นยังต้อง ต, องตองเสกเดือดโซลาหนะเปล่าถ้าเดือดโซลาก็เลกกิกเดือดได้ไหมเสือเบลีเลิกเสือเบลีได้ไ้มเนี่ยเป็นการเอาชนะกิเลสทั้งนั้นเพราะการกระทำเหล่านี้มันเรื่องของกิเลสทั้งนั้น ทำเปสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องทําเนี่เราเรียกว่าเป็นเรื่องกิเลสถ้าสิ่งที่ยังเป็นต้องทํานี้ไม่เป็นกิเลสเช่นต้องกินข้าววันละสามื้อหรือสองมื้อนี่ยมันไม่เป็นกิเลสเพราะมันต้องกินเพื่อเรียนบัตรเล่นทองแต่ต้องเดิมชุราไม่ไม่ต้องเดิมไม่ไม่ไม่ไม่เดิมมันก็ไม่ตายอะไรที่ทําแล้วไม่ไม่ทําแล้วไม่ตายก็แสดงว่าเป็นกิเลสทันั้นถ้าทําถ้าทําทานหมด อย่างท่านว่าแล้วบวชเปลี่ยนใจจะลาสิกขาจะใช้ชีวิตอย่างไรครับก็ามาเริ่มต้นใหม่อเก็อาจจะทําให้ไม่อยากกระบวชก็ได้ไม่อยากจะศึกก็ได้ซึ่งเราอกไปก็ลําบากทนอยู่ในข้าหลวงไปดีกว่าแต่ส่วนใหญ่สมัยนี้เขาบวชแบบมีช่องทางออกทางออกบางทีมีเงินก็เก็บไว้ในธนาคารก่อนไม่ได้สลับไปยิ่งเพราะว่าสมัยนี้มันมีการบวชแบบเชื่อข่าวกันเนยอะฮย นายกเขาบวนนัฐมนตรีเขาบวนขบวนเขาไม่ได้บวชจริงๆเขาบวชเพื่อเป็นการแก้บนเป็นการอะของเขาไปมากกว่าเขาก็เลยไม่ก็เงินทองเขาก็เก็บไว้เหมือนเดิมทับสมัยเขาของเงินทางก็เก็บไว้เพราะไม่มีกฎระเบียบบังคับให้สลายสามีภรรยาเป็นการสร้างสัญญาณระหว่างขันห้าทั้งสองขันใช่ไหมครับ สุดท้ายขันท่าทั้งสองก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟทั้งหมดผมเข้าใจถูกต้องไหมครับกร่างกายในที่สุดมันก็ต้องตา ย, ยการอยู่ร่วมกันการแต่งงานก็เป็นการทำสัญญาว่าจะอยู่ร่วมกันแบบเพื่อนแบนบคู่ครองดูแลรักษาดูแลกันไปจนวันตายการทำสมาธิกับเจริญภาวนาต่างกันอย่างไรครับ เหมือนกันคำว่าภาวนานี้มันมีทั้งสองแบบจำนวนสมาธิเป็นขั้นที่หนึ่งจำนวนปัญญาเป็นขั้นที่สองหากมีเป้าหมายเส้นทางโสดาบันต้องฝึกสมาธิให้เกิดสภาวะอย่างไรครับต้องเกิดระเบิดขาขึา้นมากต้องเข้าสู่ฌานได้หยุดความอยากได้ถ้าหยุดความอยากไว้ได้ เพ่จะละเป็นพระโสดามันไม่ได้เพราะพระโสดามันจะต้องละความอยากไม่แก่อย่างไม่เจ็บอย่างไม่ตายให้ได้วิญญาณมีจริงไหมครับอาจารย์นีคือพวกเราทุกคนเนี่ยจิตใจของพวกเราพอร่างกายตายไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิญญาณจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายด้วย ในขณะนี้ จ, จ, จิตใจของเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกาย จ, จ, จิตใจของเราอยู่ในโลกที่แต่สามารถส่งกระแสของของจิตมาเกาะติดที่ตาหูจมกูกลิ้นกายของร่างกายเพืาอรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเข้าไปส่งไปที่ใจส่งไปงโลกหนึ่งแล้วก็ในใจก็มีมีมีความคิดที่สามารถสั่งให้สั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆตามความต้องการของใจได้ด้วย มีทั้งกระแสรับทาเป็นงานทั้งกระแสส่งรับรูปเสียงกินลดมาแล้วก็ส่งกระแสสังขารความคิดมาให้ที่ร่างกายว่าให้ไปหารูปนี้มานะให้ไปหาเสียงนี้มาจิตใจกับร่างกายเพราะร่างกายตายไปจิตก็ก็อยู่ในโลกทิพย์นิโงวิญญาณไปผู้ที่จะเห็นนิวรบิญญาณได้ต้องมีตาที่ผู้ที่ผูพ้พวกที่มีอัพิญญามีอิทธิฤิ์พวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นอะ ตอนไหนที่เราเห็นเราเราเราืเร่องไรนะเราอุปทานคิดไปเองพอไปยืนที่ไหนเงียบๆหน่อยอยู่เปลี่ยวหน่อยอยู่คนเดียวพอเห็นอะไรผ่านมานี่ก็กลผีมาแล้วเห็นใบไม้กอ่าตีนไม้ใบไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม้ขยับหน่อยก็ผีมาแลแ้ยินเสียงก็แก้ก็แก้ ก, ก็ว่าผีมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นถีมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่สามารถจะอธิบายได้ทนะั้นั้น คนที่จะเห็นดวงวิญญาณได้ติดต่อกับดวงวิญญาณได้ต้องเป็นแบบพระพุทธเจ้าอย่างี้สามารถติดต่อกับเทวดาได้ติดต่อกับกายททพ ต, ต่างๆได้การปล่อยปลาบางสำนักเชื่อว่าเกิดวันนี้ให้ปล่อยปลานี้โยมคิดว่าปล่อยปลาไหนก็ได้บุญเหมือนกันแต่โยมจะปล่อยปลาไหลเป็นหลักจะว่าไปอย่างไหนผิดถูกอย่างไหนบิดเบือนครับได้ทั้นั้นปล่อยอะไรก็ได้นอกจากปลา ปล่อยวัวปล่อยควายก็ได้ถ่ายวัวไทยควายหมูเป็ดเห็ดเป็ดไก่ได้ทั้งนั้นแหะถ้าเราอยากจะช่วยชีวิตเขาการปล่อยเงินกู้บาปไหมครับไม่บาปก็เป็นการค้าขายอย่างมันก็ค้ายขายเงินให้เขาเช่าเงินเนีมันเช่ารถเนี่ยเป็นแต่ ว, ว่ามันจะน่าเลือดหรือไม่น่าเลือดทั้งนั้นเองจะเมตตาหรือไม่เมตตา ถ้าคิดดอกแพงๆมันก็น่าเลื่อนมันยกถขายความเมตตาถ้ามีความเมตตาก็อาจจะคิดดอกเท่ากับตลาดราคาตลาดราคากลางที่ธนาคารก็คิดดอกเท่าไหร่นะว่าคิดดอกตามธนาคารไปทีนี้มันต่างกันเป็นไม่รู้กี่เท่าใช่ไหมธนาคารก็คิดดอกแค่ร้อยละแปดร้อยละสิบไอ้นี่ร้อยละร้อยยี่ิบีก็มี ในชีวิตประจําวันเราจะปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดูจากอะไรว่าได้ผลครับก็ดูจากใจเราเนี่นะใจเราสงบมากขึ้นมีความสุมากขึ้นกิเลสลดน้อยลงอารมณ์ด่างๆัด น, น้อยลงไปเป็นต้นการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการระบายอย่างที่พ้าอาจารย์บอกหรือเปล่าครับคือโดยหลักมันเป็นการกําจัดกิเลสตันหายหมดไปจากใจ เพราะเมื่อกิเลสหมดไปความทุกข์ที่มีในใจที่เกิดจากกิเลสก็หมดตามไปด้วยต้องมาทำการปฏิบัติธรรมเพื่อทาทลายความอยากทาลายความทุกข์ต่ตางๆที่เกิดจากความอยากของกิเลสเพราะเหตุในคนส่วนใหญ่จึงไม่คิดถึงว่าเราทุกคนต้องตายทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปไม่ได้แบบนี้แสดงว่าเราถูกกิเลสหลอกใช่ไหมครับใช่กิเลสไม่ยอมให้เราคิดงไง แม้แต่คำวมาตายนีไม่ให้ไม่ให้พูดอะไรพูดค่คอยๆก็ใครคนไหนตายในบ้านก็ไม่ยอนตายเอ า, าหมดลมหายใจบ้างอะไรบ้างหมดบุญบ้มมางสวรรคตนกบ้างอะไรต่างๆ น, น, ๆนี้คำว่าตายนี้เป็นคำที่กิเลสห้ามพูดห้ามคิดก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลืมตายกัน ระหว่างปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านกับสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไปที่ไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับก็อยู่ที่ผลนะที่ไหนได้ผลมากกว่าที่นั่นก็ได้ได้ได้บุญมากกว่ากันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะปฏิบัติที่หนึ่งได้ผลเยอะเลยที่หนึ่งก็ได้ไม่มีอะไรตายตัวแต่ถ้าโดยพูดโดยสรุปโดยรวมแล้วที่บ้านกับที่วัดเนี่ยที่วัดจะจะได้ได้ผลมากกว่าเหมือนกับรักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเ่ย เพราะที่โรงพยาบาลมีมีบุคลากรที่ครบที่พร้อมแล้วก็มีเครื่องมัดเครื่องมือที่ครบที่พร้อมมากกว่าที่บ้านเหมือนกันที่ว่าก็มีอุปกรณ์ที่เสริมการปฏิบัติให้ได้ผลได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้น้อย่างน้อยก็เป็นที่สงบสันติเวทนะอยู่ที่บ้านมันก็มีแต่เรื่องกระทึกฮึ่งขงมีแสงสีเสียงมาคอยรบกวนจิตใจ ทำพื้นฐานคือสีสมาธิปัญญาเอาตรงนี้ถือว่าได้ผลแล้วหรือยังครับคือเอาตรงนี้หมายควาอย่ไงไรมันเอาอยูอย่แต่มันจะได้ผลหรือไม่หรือที่เราสามารถรักษาสีลไม่ได้ตลอดรอบสองหรือเล่านั่งสมาธิทาให้จิตรวมได้หรือเปล่ามีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายลักได้หรือเปล่านนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ได้การคำว่าเอาอย่างเดียวนี้มันไม่ทราบมายความว่าอย่างไร เอาแล้มามาปฏิบัติก็เป็นการจุดเริ่มต้นแต่ต้องปฏิบัติแล้วทำให้มันเกิดขึ้นมาในใจของเราหนูนั่งสมาธิแล้วไม่เห็นลมเห็นแต่ร่างกายหายใจทําอย่างไรต่อไปครับก็แล้วแต่ว่าเวลานั่งนี้นเวลาเริ่มต้นนี้ใช้อะไรเป็นเป็นอารมณ์ถ้าดูลมก็ดูลมไปถ้าใช้คำอะไรคำรพุทโธก็บริกรรมพุทโธไป อย่างนั่นเฉยๆแล้วเราให้สิ่งปั๊บถึงถึงนั้นสิ่งนั้สนสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาเพราะมันอาจจะเป็นการปรุงแต่งของใจซึ่งเราไม่ต้องการให้มันปรุงแต่งเราต้องการให้มันหยุดการปรุงแต่งเราต้องการความว่างมันจะว่างได้แต่เมื่อเรามีอารมณ์ข่อมใจผูกใจเราไว้การนั่งสมาธิต้องนั่งแบบนี้อะไรผูกใจไว้มีกรรมฐานผูกใจเช่นมีคำอะไรคำพุโทโธไปตลอดเวลาที่เรานั่ง เรื่งมีการมีลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเป็นต้นเรามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจมีน้ำกายมาปรากอฏให้เห็นมีน้ำกายหายไปก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะการอ่านนี้นเป็นเวลาการปรุงแต่งของจิตนถ้าเราแบ่งคก า, ามสำคัญจิตก็จะไม่สงบถ้าต้องการอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเพื่อใใจเข้าสู่ความว่างพอว่างจิตก็จะสงบนิ่งสบายมีความสุขไม่ต้องทําอะไร หากฝึกสมถะภาวนาไปเรื่อยๆจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถเลื่อนขั้นไปฝึกวิปัสสนาได้แล้วครับวัได้ินจิตรวมจิตสงบเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้นิยมเบคา้าเป็นที่ตั้งของใจเออจิตใจไม่วุ่นวายไปกับอะไรนะกายชมกายดาก็รู้สึกเฉยๆไม่รัดไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้าถึงขั้นนั้นละ่ะถึงจะสามารถที่จะไปทางวิปัสสนาได้ ดูแม่ติดเตียงตลอดห้าปีครับตอนแม่สิ้นใจพี่ที่ไม่ดูแม่เขาว่าเขามีบุญแต่หนูดูพ่อที่ชราอยู่บ้านหนูบาปไหมครับไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวกับบาปหรือบุญเราไม่ได้ไปทำบุญลรวไปทำบาปเราไม่ได้ไปบีบคอแม่ให้ตายเันไปทำอะไรมันจะไปบาปได้เลย เป็นถามพระอาจารย์ครับปฏิบัติธรรมมาสามปีสวดมนต์นั่งสมาธิเช้าเย็นวันพระไปถืออุโบสถศีลที่วัดแต่เหมือนจะยังไม่เห็นผลเลยยังมีกิเลสยังฟุ้งมากอยู่จะทําอย่างไรต่อดีครับก็เราไปปฏิบัติที่วัดอื่นดูสิว่าที่เป็นวัดป่าวัดเขาวัดที่เขาเน้นการปฏิบัติแบบอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่ไม่ให้สังคมกับใครให้จงรักจิทั้งวันทั้งคืน ให้นั่งสลับของการนั่งสมาธิเดืินจงกรมการปฏิบัติมันไม่เข้มข้นมันนี้มันมีรูปแบบของการปฏิบัติแต่มันไม่ค่อยประฏิมันส่วนให ญ, ญ่มันไม่ได้ปฏิบัติจริงเดยวก็เจอกันก็นั่งคุยกันสนนานาอาศาัยกันไปเป็นชั่วโมงวันเดียวก็พาประเทศให้ฟังก็บฟังกักครึ่งชั่โมงพากลับไปก็คุยกันต่อนั่งสมาธิกันตั้งสิบห้านาทีก็เลกไปเดินก็ฟุงก็แพ้พไปอะไรกัน กาทำอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะได้ผลรอขอพระอาจารย์ช่วยขยายความคำตอบที่คตอบท่านเคยตอบถามว่าภาวนามา20ปียังไม่บรรลุมรรคผลเพราะปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติไม่มากพอแปลว่าทำในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิน้อยไปใช่ไหมครับหนูอายุมากมีโรคปวดเรื้อรังมักง่วงครับ คือต้องรู้หลักของการเดินโยมนั่งสมาธิว่าเราต้องใช้อะไรเป็นหลักของการปฏิบัติไม่ใช่เดินไปเฉยนั่งไปเฉยเพราะสิ่งที่เราต้องทามันคือเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของร่างกายเรื่องของร่างกายเป็นเป็นเพียงองค์ประกอบนะตัวที่ทํางานจริงๆก็คือตัวจิตการฝึกสมาธินั่นเราจะเป็นจะต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนให้มีสติกและรู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน ไม่ให้จิตลอยไปกับความคิดปรุงแต่งตา่างๆไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามต้องควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ให้อยู่กับงานที่เราทําอยู่ให้ออยู่คําบริกรรมพุทธโธไปแล้วพอเรามานั่งสมาธิล้วก็ปฏิบัติแบบนั้นเนป็นการนั่งเฉยๆแล้วเราก็กาหนดสติให้อยู่กับเรมหมายใจก็ได้ให้อยู่กับคําบริกรรมพุทธโธก็ไดไ้ต้องทำแบบนี้ถึทําทำถูก ถ้านั่งแล้วก็ปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาคิดเรื่องนี้เรื่อง น, น, น, นี้มันก็ไม่มีทางที่สงบได้เวลานั่งสมาธิใจยังไงก็ไม่นิ่งครับไม่ว่างเลยครับมีวิธีกําหนดจิตให้สงบได้อย่างไรครับก็ต้องฝึกสติ ก, ก่อนที่เรามานั่งเนี่ยต้องหยุดความคิดก่อนที่เรามานั่งไม่ใช่มันอยู่ตอนที่เรานั่งทั้งวันนั่งแต่ตขึ้นมาแล้วหยุดความคิดก็ได้เลย เริใช้พุโทโธพุโทโธไปเลยตั้งแต่เราต่นขึ้ น, นาต่อไปถ้าเรายังไม่ต้องใช้ความคิดที่คิดกันเรื่องที่จำเป็นก็อย่าอย่าปล่อยให้ใจคิดให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความจําเป็นจะต้องคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ข้ อ, อยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอคิดเรื่องจาเป็นเสร็จแล้วก็กลับมาพุโทโธไปต้องทำนี้ไปทั้งวันทั้งคืนให้ได้ก่อนต้องการนั่นสมาธิจิตจงยัค่อยจะเข้าสู่ความสงบได้ เลี้ยงสัตว์ขายเป็นอาชีพแต่ไม่ได้เชื่อเองนะครับเป็นบาปไหมครับทำเป็น ไ, ได้เชื่อเองก็ถือว่าเป็นไม่ไม่เป็นสัมอาชีพเป็นอาชีพที่ไม่ควรทำเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้การที่เราใช้เงินของแม่เป็นมรดกนะครับแม่นอนป่วยติดเตียงอยู่ <c oughs> ถ้าอยู่บ้านจะพิจารณาอาหารและน้อมอนุโมทนาบุญกับแม่ที่ให้อาหารแก่ผู้ภาวนา คุณแม่จะได้บุญไหมครับไม่ค่อยเข้าใจว่าพูดถึงใครเป็นใครยังไงคุณแม่ทําบุญด้วยการให้ให้อาหารกับเราหรือเปล่ายังไงไม่ทราบไม่เข้าใจครับนะเข้าใจว่านะผมเข้าใจไปเองนะครับว่าเขาอาจจะเอาเงินมรดกคุณแม่ไปไปให้อาหารอย่างเงี้ยครับแต่ถามเหมือนประวัติว่าคุณแม่จะได้บุญไหมครับ เรคุณแม่ได้มุญตั้งต่อนที่ท่านให้เรานะมาแล้วอืการให้ของคุณแม่นะั้นเป็นบุญของคุณแม่นะครับวันนี้เราได้รับมาถ้าเราไปทําบุญต่อเราก็จะเป็นคนได้บุญแต่คุณแม่ไม่ได้บุญนะไม่ได้สองรอบได้รอบเดียวตอนนั่งปฏิบัติธรรมมีแสงสว่างแล้วเห็นคนแก่ชายหญิงยืนเป็นสองแถวครับอาจารย์ไม่ต้องสนใจให้กลับมาที่กรรมฐ า, านอยู่กรรมฐ า, าน มีอะไ้ปรากดขึ้นในขณะที่นั่งไม่ต้องไปสนใจทั้งสิ้นเป็นมายาเป็นตัวที่จะมาทำลายธรรมะการเข้าสมาธิของเรามขัดขวางการเข้าสมาธิของเราเราต้องผูกใจอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวไม่อยู่กับเราหลายใจก็ออกไปเรื่อยๆที่บอกว่าต้องไม่อยากอะไรเลยไม่อยากกินนู่นนี่นั่นไม่อยากรวยไม่อยากต่างๆแม้แต่อยากกินอะไรต่างๆในความเป็นคนธรรมดาทั่วไป เราจะวางใจในการใช้ชีวิตไม่ให้มีความอยากต่างๆนี้ยังไงดีครับโอ้ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็อยากไปเถอะอันนี้สำหรับคนที่ก็เป็นนักบวชกันมากกว่าคนที่อยากจะมารูุธรรมถ้าเรายังมี็นฆราวายังติดรูปเสียงกิ่นแล้ว อ, อยู่ว่าอย่าไปทําบาปก็พออยาจะกินอะไรกินไปเถอะถ้าคนป่วยติดเตียงใส่ท่อหายใจอยู่ไปวันวัน มีคนเจตนานดีดึงท่อหายใจออกแล้วเขาเสียชีวิตคนที่เจตนาทําให้เขาหมดลมเขาเป็นบาปไหมครับไม่บาปเลยเพราะว่าเขาเขาหยุดการสนับสนุนการรักษาเท่านั้นเองเพราะว่านคนไข้ถ้าเขาหายใจเองไม่ได้เขานะั้ความตายก็เป็นของเขาไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีเครื่องหายใจถึงแม้จะมีเครื่องหายใจก็เป็นเครื่องหายใจที่มันเป็นเป็น เป็นเหมือนการอาหารนั่นเองที่เหล่านี้ร่างกายแต่ตัวที่ทาให้ตายเพราะมันไม่สามารถหายใจเองได้ผมเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดยานครับแต่ตอนนี้เจอความผิดหวังพัดพรากจากความสัมพันธ์ผมไม่ได้ควรผมไม่ได้ควรปฏิบัติธรรมอย่างไรให้จิตใจกลับมาสงบอีกครับก็ควรไปปฏิบัติธรรมน่อยก็ไป ไปอยู่วัดไปฝึกสมาธิไปฝกทำใจให้สงบให้หยุดความคิดถึงอดีตที่ผ่านมาพอเราเข้าสมาธิได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปทมเมื่อสามสิบปีก่อนสามารถภาวนาในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิได้มากโดยเฉพาะเวลาไปอยู่ค้างวั ด, ดแต่ตอนนี้มีปัญหาสุขภาพปวดเรื้อรังไปอยู่วัดไม่ไหวมันเลยเป็นสาเหตุนฮะ ให้ทําในรูปแบบน้อยลงเลยไม่ก้าวหน้าใช่ไหมครับก็อยู่ที่ปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยถ้าปฏิบัติมากมันก็จะไม่ก้าวหน้าถ้าปฏิบัติมากมันจะก้าวหน้าอยู่ที่การปฏิบัติขอากาสครับการที่เรามีปัญหาสุขภาพปวดร้าวังญาติไม่สนับสนุนไปอยู่ป่าข้างวัดไม่ไหว เราต้องพบแพทยถามหมอบำบัดอาการปวดอยู่ตลอดจะมีทางจะบรรลุมรรคผลได้อย่างไรไม่เคยเห็นใครอยู่แต่ที่บ้านแล้วบรรลุครับก็ย้อนตายยามเจ็บถ้ายอมปลงได้ว่บาบรรลุทาได้ยามรับว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตํางแก่เจดด็บตายไปถ้าปล่อยวางได้ก็บรรลุทาได้ พระอาจารย์ครับที่บ้านมีพึ่งมาทํารังบนต้นไม้ติดกับหลังคาบ้านพี่ชายกลัวพึ่งจะต่อยหมาและตัวเขาเองจึงสั่งให้ช่างสวนให้มาทําลายรังพึ่งเสียหนูห้ามแต่เขาโกรธบอกว่าเขาเป็นคนทําบุญแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับบาปและถ้ามีคนโดนต่อยหนูห้ามหนูต่างหากบาปหากแต่บังเอิญช่างสวนมาแล้วมีเหตุให้กําจัดรังพึ่งไม่ได้อยู่สองครั้งแต่หนูไม่รู้ว่าจะช่วยได้ทุกครั้งหรือไม่อยากกราบถามพระอาจารย์ว่า ถ้าหนูห้ามไม่ได้พี่ชายจะบาปจากการทําลายรังพึ่งมากไหมหรือถ้ามีใครโวนต่อยหนูจะบาปจ ร, ริงไหมครับก็บาปมากบาปน้อยอยู่ที่การไปเดืเดร้อนในสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ถ้าฆ่าเขาไว้ก็จะบาปมากกว่าการโยกย้ายเขาให้อยู่ที่อื่นี้่างนี้ก็ทางที่ดีก็ปล่อยก็อ ย, อยู่ตามเรื่ของเขาไปนรืถ้าเราสามารถ ย้ายเขาไปอยู่ที่อื่นได้ย้ายทั้งหลังไปได้ก็ย้ายทั้งหลังไปใช้สติใช้ปัญญานหน่อยคิดดูจะทำยังไงที่จะสามารถโยกย้ายเขาไปได้ก็โยกย้ายเขาไปเหมือนกับเวลาที่มีงูเข้ามาในบ้านเนะแล้วก็พยายามจับมันอย่าไปฆ่ามันอย่มมาแล้วก็ไปปล่อยในป่าไปปล่อยในที่มันจะได้ไม่เป็ น, ปนอันตรายต่อผู้เลยนถ้าทาอย่างนี้ไม่บาปนะ พยายามโยก้ายให้ก็ไปอยู่ที่ที่ใหม่แต่ถ้าเราไปทําร้ายเขาอนี้มันมันมันก็บาปการนั่งสมาธิอยู่บ้านกับที่วัดได้ผลบุญต่างกันอย่างไรครับก็เมื่อกี้าจารที่ตอบไปแล้วนะแบบนี้เปรียบเทียบโรงพยาบาลกับบ้านรักษาตัวที่โรงพยาบาลรักษาที่บ้านความพร้อมไม่เท่ากันที่วัดมีความพร้อมมากกว่าปัจจุบัน ได้จะได้ผลเร็วกว่านัลนดีกว่ามากกว่าการปฏิบัติที่บ้านเพราะที่บ้านมีนิวรณ์เยอะมีอุปสรรคเยอะกว่ามีรูปเสียงกิ่แล้วทําให้เกิดการมาฉันทะขึ้นมาอันเดียวก็มีคนทําเสียงหรือประซิบคุกคามแล้วทําอะไรไม่พอใจก็เกิดความโกรธขึ้นมาน่าเราทํา บ, บุญเพื่อไปเกิดในภพที่ดีเมื่อมีภพก็ชาติเมื่อมีชาติ ก็มีชรามรณะโสกปริเทวะทุโทมนัณอุปายะสะทั้งหลายการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นการทำบุญต้องทำด้วยจิตที่ปล่อยวางใช่ไหมครับไม่หรอกปล่อยวางไม่ปล่อยวางมันก็ต้องกลับมาเกิดอยู่ดียถ้าทำแค่บุญทำทานอย่างเดียวถ้ายังไม่กลับมาเกิดต้องไปภาวนาชำะกิเลสให้หมดเสนมาากใจถึงจะไม่กลับมาเกิดได้ ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าธรรมโอสดครับธรรมโอสถก็คือยารักษาใจที่เป็นทุกข์นะก็คือสติปัญญาสมาธิสีนสมาธิปัญญาที่เราปฏิบัติกาเนี้เวลาที่ใจเราทุกข์เราสามารถใช้ <c oughs> ใช้สีนสมาธิปัญญามาดับความทุกข์ของใจได้เช่นบางทีเราเป็นเราเป็นโรคมะเรงอย่างนี้แล้วใจเราทุกข์ก็รรคมะเร็ง โรควันเองนี้รักษาไม่หายแต่เราเราสามารถรักษาความทุกข์ใจที่เกิดจากเกิดจากความทุกข์กับโลกวันเองได้ด้วยการสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายให้ยอมรับว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตเป็นธรรมดาพอปล่อยวางน่างกายได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความความเจ็บความตายของร่างกายามมนี่หมายถึงการใช้ธรรมะโอสจนรักษาเพียงแต่ใจอย่างเดียวส่วนร่างกายรักษาไม่ได้ไม่ธรรมะโอสจน น้ำใจเขถึงเวลาก็ต้องแก่เจ็บตายไปตามเวลาของเขาผลกรรมจากการโกหกคืออะไรครับก็จะไม่มีคนเชื่อถือเราไม่มีใครนับถือเรเชื่อฟังเราไเป็นคนโกหกไม่ใครอยจะเชื่อขอยืมอะไรเขก็ไม่ให้ยืมการภาวนาด้วยการฟังสวดมนต์ตาม ได้บุญเทียบเท่ากับเราสวดเองไหมครับถ้ามีปัญหาสุขภาพครับก็อยู่ที่ว่าความบบานมีสติหรือส่วนมีสติน้อยตัวสําคัญก็คือตัวสติและมีสติฟังน้อมใจสมองก็ได้บุญทั้งนั้นว่าเราจะความน้ควาเข้าส่วนที่เราสวดเองก็ได้ทําสมาธิคือการนั่งสมาธิใช่ไหมครับ ได้นั่งสมาธิเพื่อมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดให้หยุดคิดใจต้องมีสติแล้วมันก็อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะผูกใจไม่ให้ไปคิดเรื่อ ง, ง, ง, งนั้นเรื่องนี้จะเป็นามหายใจเข้าออกก็ได้เป็นการบริการพุทโธพุทโธไปก็ได้หลังแล้วเรียกว่าไปการนั่งสมาธิสมาธิก็คือความสงบ น, น, นั่งนั่นงเจรินสติเพื่อทําใจให้สมบเป็นสมาธิขึ้นมา เวลาเรารู้ตัวว่าคิดฟุ้งซ่า น, านเห็นความคิดแล้วกําหนดลมหายใจกลับมาอยู่ปัจจุบันอันนี้เรียกว่ามีสติไหมครับก็อยู่ความคิดได้ก็มีสติทีนี้มันจะมีสตินานหรือไม่นานก็อีกนิดนึ่มีแค่แวบฟเดียมีสติแล้วเดี๋ยวเผย ล, ละปล่อยให้เราคิดอีกแล้วก็ได้นี่ยอยู่ที่เรามีสติมากสติน้อยฟังธรรมะพระอาจารย์ทําให้ เลิกคิดการหาเงินให้รวยๆให้มากเอาพออยู่พอกินแล้วไปเน้นการปฏิบัติธรรมให้มากแทนการเอาเวลาไปหาเงินให้รวยๆแบบนี้ถูกทางไหมครับถูกทางแล้วล่ะเงินทางช่วยเราไม่ได้นะเวลาที่จิตใจทุกขึ้นมาเมนี่ยมีธรรมะทางนันที่จะช่วยช่วยจิตใจเราไม่ให้ทุกได้อยู่กับครอบครัวตลอดยังไม่สามารถ และการพูดถึงเรื่องคนอื่นหรือสถานการณ์สังคมข่าวได้รู้สึกศีลดังพร้อยพระอาจารย์มีเทคนะดีครับถ้าไปมาธนานิพานแต่สถิตขโลกอย่างอ่อนครับก็พูดเรื่องที่ดีของคนเลยเพรเสียอย่าพูดเรื่องที่ไม่ดีอย่าพูดเรื่องไม่ดีก็อยากพูดพูดแต่เรื่องที่ดีชมเขาดีกว่ายยกย่อมเขานี่ก่านมองมองมองในแา่ดีของเขาถ้าไม่มีแงด่ดีให้พูดก็ไม่ต้องไปพู อยาอย่ า, ยาไปมงในเแง่รลบของเขาแง่ายไม่ดีคนเราทุกคนมีมมทั้งดีมีทั้งไม่ดีอยู่ในตัวของแต่ละคนนะนะั่นแหละมองในส่วนที่ดีของเขาแล้วพูดในเรื่องที่ดีของเขาจะดีกว่าความรู้สึกเช่นช่างชอบหมันไส้อิจฉาน้อยเนื้อต่ําใจเก่งกาดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกใช่หรือไม่และเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเกิดว่าดับไปเพื่อไม่ทุกข์ใช่หรือไม่ครับ มันเป็นกิเลสอาการอนนี้เรียกื่องเองาการของกิเลสซึ่งเราสามารถทำให้มันหมดไปได้ในการปฏิบัติทำสมาธิและปัญญาพรุ่งนี้หนูไม่ไปไหว้ตรุจีนเพราะเบื่อหน่ายกับครอบครัวญาติพี่น้องที่มีนิสัยเห็นกันได้ไม่เชื่อเรื่องกรรมและการสนทนามักมีแต่ประเด็นอวดกินถกการเกียด หนูไม่มีอะไรและไม่รู้จะเอาอะไรไปอวดใครหนูไม่ไปเขาก็จัดกันอยู่แล้วและคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่ก็ไม่ฟังใครไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์หนูทําบุญอุทิศให้แก่ญาติที่เสียไปเป็นประจําสม่ําเสมอหนูไม่ไปผิดแต่มาบุญวัดยานตอนเช้าแทนไม่ผิดใช่ไหมครับก็ในหลักธรรมก็ไม่ผิดครับการที่เราไม่ไปสังคมกใคร ถ้าเราไม่ไปทําให้เขาเสียหายเดือนอนมันก็ไม่ผิดเดยแต่ในความรู้สึกของเขาก็อาจจะคิดว่าเราผิดก็ได้ไม่ไปร่วม ง, งานสําคัญที่เขาโดยทธรรเนเดียวก็ถือว่าเป็นงานที่ควรจะไปร่วมกันอันนี้ก็มันผิดผิดธรรมเนียมของเขาแต่ไม่ผิดหลักธรรมเพราะเราไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายเดืนอนร้อน การที่เราให้เงินพ่อแม่พี่น้องถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับเป็นเป็นการให้ทานเป็นการให้อยากจะทําบุญออนไลน์ทําอย่างไรได้ครับตอนที่นี้ไม่ต้องทาบุญหรอกเพราะว่ า, าก็ไม่ได้มาพอที่มามาให้ทําบุญมาให้แลาธรรมะไปปฏิบัติดีกว่า ถ้าอยากทำบทำที่ไหนก็ได้ทำคนใกล้ตัวก่อนก็ได้ทำกับพ่อ แ, แม่เราก่อนก็ได้ให้พ่อแม่เราอยู่ดีกินดีก่อนแล้วค่อยไปทากับคนอื่นต่อสวดมนต์ภาษาบาลีจาเป็นต้องรู้ความหมายของภาษาบาลีด้วยไหมครับ <c oughs> ทำไมไม่แปลเป็นไทยจะได้เข้าใจธรรมะง่ายขึ้นครับก็ถ้าแปลความหมายได้ก็จะได้ปัญญาในความรู้ ถ้าไม่เข้าใจาความหมายก็จะได้แค่สติและสมาธิเป็นความสงบเท่านั้นเองทีนี้ก็มันเป็นเรื่องธรรมเนยียนที่เขาทำกันมาตั้งแต่เด็กดําบันนะเราเขนกภาษ า, าบาลีเพราะเป็นภาษาเดิมของพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะคงไว้เพราะถ้าเรามาแปลแล้วมันาอาจจะเพี้ยนจากความความภาษาเดิมก็ได้ก็เลยไม่ไ ม, ไม่ก็มีการแปลเหมือนกันแต่ไม่ได้ถือว่าการแปลเป็นหลักถือว่าภาษาบาลีนี้เป็นหลักเป็นเป็นหลัก ของภาษาของธรรมของพระสอนของพระพุทธเจ้าพาถึงต้องกศึกษาบาลีกันที่มาเรียนประเรียนตั้งแต่ประเรียนหนึ่งถึงประเรียนเก้าที่เมียนบาลีนั้นมใช่เีปฏิบัติธรรมมีวิชาภาษาอิงกฤษอย่างนี้ต้องเรียนถึงเก้าปีถึงจะสามารถที่จะสอบผ่านประเรียนเก้าได้หวงตาก็ได้ประเรียนประเรียนสามถ้าเราพอแล้ว เรีนไปก็มันยก็ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เกิดประโยชน์ในทางด้านจิตใจนี่แต่อย่างใดไม่ก็อะไรมุ่งไปปฏิบัติดีกว่าพอที่ท่านได้ไปพบได้เห็นพระหลวงหลวงปู่บ้านนะแล้วเกิดศรัทธากนเลยว่าไปปฏิบัติกับหลวงปู่บ้านดีกว่าท่านก็เลยท่านก็เลยหยุดเรียนพอจบปวสเปลียนชั้แล้วท่านก็ไปเนละจะทํำยังไงครับเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบแม่ หาเรื่องด่าเรื่องว่าประจำทั้งที่เราไม่ผิดอะไรทําให้เราโกรธเกลียดครับทําใจเฉยๆรักษาวความขมขื่ไว้สงสารแมากก็แล้วกันเห็นว่าแม่แล้วขาอาจจะมีอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ยินดีให้แม่เข า, าเระบ า, าอารมณ์ใส่เราได้คชืว่าเป็นการทำบุญกับแม่ไปเดยตัวการคิดฟุ้งซ่านปรามาตผู้มีพระคุณ จนเป็นมโนกรรมเราต้องแก้ไขยังไงครับก็หยุดมันเสียเวลาเราที่เราเริ่มีการคว า, ค, วาคิดไม่ดีแต่ผู้นี้ก็ค น, นเราต้องหยุดมันและสอนใจว่าคิดไม่ดีแบบ น, นี้ไม่ดีมันนําสู่การกระทําที่ไม่ดีต่อไปซึ่งอาจจะกลายเป็นบาปหนักขึ้นมานักก็ได้เังนั้นอยาปล่อยให้มันลามบามออกไปในทางวาจารู้ในทางการกระทําหยุดมันด้วยพุโทโธก็ได้พอคิดไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วสวดมนไป โดลกาความคิดนั้นหายไปแล้วเราเค่อยหยุดสวนหยุดพูดโธการเรียนถามพระอาจารย์ครับการเรียนนักธรรมจะช่วยให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนมากขึ้นและน้อมนำมาปฏิบัติได้ดีขึ้นใช่ไหมครับก็หลักธรรมนี้ก็มีการเอาหลักธรรมคำสอนที่สำคัญสำคัญมารวมกันไวมาสอนแล้วราาพระบุใหม่ พระที่ามาบวชนี่ส่วนใญ่ท่านต้นเน้นว่าต้องเรียนสามสามขั้นในการนักธรรมตีโทเองแต่ถ้าเราศึกษาเองได้เราก็ไม่ต้องไปเรียนตามหลักสูตรก็ได้อย่างเราเราก็ไม่ได้เรียนนักธรรมเราสายเราเราเรียนตามตามตามตา ม, ตามของเราเองพอเราเข้าใจวิธีการปฏิบัติเราก็เอาไปปฏิบัติก็ได้แต่เราจะไม่มีการไม่มีใครก็บรรับรองนะว่า มจมนักทำเตยเขาเองมาบทพระสูตรต่างๆใครเป็นคนเขียนขึ้นมาครับพระสูตรดั้งเดิมเป็นคําสอนของพระเจ้าเลยตรงพระเจ้าแสดงธรรมแต่ละครัง้งก็เป็นพระสูตรหนึ่งพระสูตรเช่นแสดงธรรมข้างลา่าให้กับพระปัญจวัคคีย์ห้าคนแสดงเรื่องอริยาาสัจสี่มรรคแต่นี้เขาก็ตั้งชื่อพระสูตรนี้ว่าธรรมจักรกับวัตนาสูตร เป็นการแสดงนากนารเมือการจดจำของพระภิกษุใ น, ในแต่ละยุคมาถ่ายทอดกันมาจนถึงในยุคที่มีการเขียนเป็นหนังสือก็เลยเอามาใส่ไปนะในพระตายปิดอกอีกทีนึ่งแต่สมัย้งแรกงไม่มีการเรียนหนังสือไม่มีการอ่านออกเขียนได้พระภิกษุสัญญาอ่ายความจำเป็ น, ปนหลัก การคิดฟุ้งซ่านปราโมทาพระหรือผู้มิพระคุณพยายามตามรู้เห็นแล้วแต่ไม่สามารถกำหนดไม่ให้คิดซ้ำได้ครับจะแก้ยังไงไม่ให้เป็นมโนกรรมครับต้องใช้พุโทโธเยอย่าตามรู้ยิง่งรู้มันก็ยิ่งคิดใหญ่หยุดมันไมการมริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือส่วนมนต์นี่นจิตปิดไปก็ได้สวดไปเนี้ยเดี๋ยวความไิเชนั้นก็จะหายไป การภาวนาโดยคิดพุโทโธไม่ถือว่าเป็นสังขารหรือครับเพราะยังคิดอยู่ครับเป็นสังขารที่จะทําให้ใจสงบได้สังขารจะมีหลายแบบสังขารที่ทําให้ใจฟู้สร่างนก็นี้สังขารที่ทํ า, าททใจให้นิ่งก็นีข้ขอกราบขอธรรมะสำหรับดูแลแม่เป็นอัลไซเมอร์ครับเวลาแม่หลงพูดไม่เข้าใจหนูพยายามตั้งสติใจเย็นแต่บางทีก็หลุดเข้มใสและ หรือร้องไห้ใส่เพราะเหนื่อยใจมากแล้วก็มาเสียใจมากทีหลังครับโอเคว่าเรานี้เดียกก็แล้วกันเด็กร้าเด็กทารกเด็กไล้เดมสาอย่าไปเชื่อสารแม่จะทําอะไรแลเราเราก็ดูแลปลายทางกำลังของเราอย่าไปหวังอะไรจากท่านอย่าไปกําหนงว่าท่านต้องเป็นอย่างนั้นท่านเป็นอย่างนี้เพราะสภาพจิตของท่านตอนนั้นก็เหมือนกับเป็นเด็กทารกแล้ว ขอปัญญาครับอดีตลูกเคยบวชประมาณปี2560สายวัดป่าพอสึกอมานานถึง8ปีกว่าทุกวันนี้จิตยังระลึกถึงและมีความสุขเสมออย่างนี้ถือว่าลูกมีเชื้อที่ติดมาหรือไม่ครับถือว่ามีก็ได้นะแต่ประเด็นสำคัญก็มีมากมีน้อยถ้ามีมากมันก็อยากจะกลับไปบวชเองถ้ายังไม่กลับอยากจะกลับไปบวชก็มีน้อย เคยมีเพื่อนกล่าวว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าครูบาอาจารย์เราเป็นพระอรหันต์เขาเองไม่ได้ภาวนาแต่ฟังธรรมและเรียนปริยัติแทนการพูดเช่นนี้ถือเป็นการปรมามทย์ครูบาอาจารย์ท่านนั้นหรือไม่ครับก็แล้วแต่เราจะมอ ง, องกันก็าอาจจะสงสัยก็ได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสยัยนะเราจะรู้ได้อย่างไงว่าอาจารย์ของเราเป็นพระอรหันต์บางที่เราก็ไม่รู้บางทีเราเป็นรูปศิษย์เราก็ศรัทธานล้วได้ยินได้ฟังคนอื่นเขาศรัทธาก็เชื่อกันมา ซึ่งในลักษณะนี้ผู้เจ้าก็เคยบอกแล้วว่าอย่าเชื่อแบบนี้กันต้อลนำมาสูตรต้องเชื่อแบบที่เราสามารถพิสูจน์ได้ถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ฟังโฮไว้บุก่อนเชื่อเครื่องหนึ่งไม่เชื่อเครื่องหนึ่งไปก่อนในวิธีที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นพระอาหารย์หรือไม่ก็คือถ้าเราได้ศึกษาคําสอนของท่านแล้วเราสามารถบรรลุปเป็นพระอาจารย์จากคําสอนของท่านได้อย่างนี้ก็เราก็จะเชื่อได้ว่าท่านต้องเป็นพระอาหารย์ นี่วิธีหนึ่งก็ต้องไว้ท่านตายก่อนอก็ดนนูว่ากระดูกของท่านกายเป็นพระธาตุขึ้นมาหรือเปล่าอาจารย์ครับพระพร์อาหารทุกองค์จะเป็นพรธาตุหมดไหมครับพระอาจารย์ก็ท่านก็ไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นทุกทุกองล้วเป็นชาติเป็นเลวเป็นมากเป็นน้อยก็ไม่เหมือนกันก็อยู่กับภาวะว่าระหว่างช่วงที่ท่านบรรลุเป็นพระอาหารตนถกจช่วงที่ท่านตายนี้มีระยะเวลาสั้นยาว ถ้าบรลุรอยู่ได้นานโอกาสที่จิตชาจะพักซักพอ่อกระโหกนี้มีมากโอกาสที่จะมีพระธาตุเกิดขึ้นขึ้นจะมีมากแต่ถ้าท่านเกิดบรุวันนี้แล้วตายพรุ่งนี้อาจจะไม่มีพระธาตุเลยก็ได้พระพระธาตุ น, นี้เกิดจากการมีจิตที่สาดบริสุทธิ์ของของร่างกายนี้อยู่แล้วความสะอาดบริสุทธิ์ของร่างของจิตนี้สามารถซักพอ่อกระโหลกให้กลายเป็นพระธาตุได้ตามหลักที่ได้ยินมานะ่ย ถามว่าการไปปฏิบัติธรรมตามครอสต่างๆสามวันเจ็ดวันเก้าวันไนีนดีไหมครับแือถ้าแต่ครอสแต่ละครอสนี่ยเขาก็เป็นอย่างไรด้วยนะมันก็เหมือนกับการที่เราไปเรียนตามสถานที่ต่างๆว่าเขาสอนดีว่าไม่ดีอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะกําหนดได้แต่หลังมันก็ช่วยเราได้ถ้าเราไม่รู้จักการเริ่มต้นจะทํำยังไงเราก็ไปเรียนก่อนแล้วเขาถามว่าต่อว่าจําเป็นไหมครับ ถ้าเราปฏิบัติเองได้ก็ไม่จําเป็นถ้าเราไม่เราทางของการปฏิบัติเราก็ไม่ต้องไปเรียนก็ได้คนที่มีอาชีพใช้ความคิดเยอะเช่นแพทย์เทียบกับอาชีพพันโรงในใช้ในการใช้แรงงานแพทย์จบับบรรลุทำได้ยากกว่าควันโรงไหมครับเพราะต้องใช้ความคิดเยอะครับไม่จําเป็นอะความคิดเยอะนี้มันไม่ได้เยอะคิดเรื่อง อ, อะไรสําคัญอย่ว่าคิดเรื่อง อ, อะไรคิดเรื่องที่เป็น เป็นเป็นมันเป็นปัญญาแพทนี้มันรู้ทําได้ง่ายเพราะแพทนี้อยู่กับข้ามเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาคิดแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลางั้นถ้ามาบวนี้แพย์นี้มีโอกาสที่จะมรรลุธรรมได้ง่ายกว่าพ่าลงพ่าลงนี่แต่เรื่องกวาดถูเทะนั้นเองถ้าว่าคิดทําปัญญาคิดไม่ออกคิดไม่เป็นเองงั้มันไม่ได้อยู่ที่คิดมากคิดน้อยมันอยู่ที่คิดเรื่องอะไรแพทนี้เป็นคิด ที่เรื่องธรรมะทั้งนั้นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ครบอยู่ในหัวของหมอทุกคนเลยครับ <c oughs> ช่วงนี้มีปัญหาการเงินทำให้ไม่สไ ม, สมไม่สมาธิสวดมนต์ภาวะเลยและสมาธิอยู่กับตัวเลยครับใจลอยครับจะทำอย่างไรดีครับก็ไ่เข้าคอสไปอยู่วัด ท, ท, ที่ไหนสักพักหน่อปล่อยงานที่งื่อนต่างๆไว้ เอาหาเวลาไปตั้งสติไปนี่หยุดความคิดดีกว่าถ้าอยู่กับเรื่องงานเรื่อเงนินมันก็อย่างนี้นมันก็คิดไปจนมันตายพี่ไม่เคยดูพ่อแม่ให้เงินซื้อกับข้าวนิดหน่อยครับอย่างนี้ตัวที่เป็นพี่เขาได้บุญไหมครับถ้าก็าให้เงินให้ถัเขาก็ได้บุญถึงแม้เขาจะไม่มีเวลาบำรุงรแต่ก็ส่งเงินทองมาเป็นเครื่องดูแลแทนก็ได้ ถ้าบริจาคเงินการทําบุญกับวัดและการทําบุญกับโรงพยาบาลอันไหนจะได้ผลบุญมากกว่ากันครับผลบุญเท่ากันถ้าจาํานวนเงินเท่ากันถ้าบริจาคให้วัดพันหนึ่งบริจาคให้โรงพยาบาลพันหนึ่งบุญที่เกิดในใจของผู้บริจาคนี้เท่ากันแต่ประโยชน์ไม่เท่ากันประโยชน์ทางวัดก็ไปทำประโยชน์ทางศาสนาประโยชน์ทางโรงพยาบาลก็อาไปทําประโยชน์ทางรักษาพยาบาลอันนี้จะไม่เหมือน ข้อที่สองครับถ้าทําบุญกับบุคคลได้ผลบุญต่างกันใช่ไหมครับแล้วแต่ภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละบุคคลครับถ้าทําบุญกับบุคคลที่มีภูมิจิตต่างกันจะได้ผลต่างกันครั้งเกิดที่จะได้จะได้รับปัญญาจากบุคคลนั้นต่างกันคือถ้าเราทําบุญแล้วเราคุยกับเขาถ้าคุยกับพระโสดาบันก็จะได้ปัญญาระดับของพระโสดาบันถ้าคุยกับพระอนาหารเราก็จะได้ปัญญาระดับพระอนาหารนี่จะได้ต่างกัน ต้องคุยกันหรืต้องฟังเทศทางธรรมของท่านถึงจะถึงจะได้ประโยชน์อันนี้แต่ประโยชน์ที่5จากการให้เงินเท่ากันนี้ได้เหมือนกันให้ผ้าวันหนึพให้ผ้าโสดาวัน1000ความสุขใจที่เกิดจากการเสียสละเงิน1000นี้ได้เท่ากันจิตใจเศร้าหมองไม่มีกําลังหากนั่งสมาธิก็สักแต่ดูใจเราได้ใช่ไหมครับแค่ตั้งใจนั่งสมาธิครับ ต้องมีสติ ค, ควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ผูกใจเครื่องอยู่กับกรรมฐานอย่านั่งใช้ใช้ดูใจเพราะใจจะคิดมากขึ้นน่าจะฟุ้งซ่านไปบ้างาได้ต้องต้องมีอะไรผูกใจไว้ให้หยุดคิดอยู่กับพุโทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปถึงจะสงบได้สวดมนต์ได้บทอิติปิโสอย่างนี้จะได้บุญไหมครับถ้าสวดท่านจนกาจิตจะสงบก็จะได้บุญ การให้อภัยคนที่มาพูดไม่ดีต่อเรามีแนวคิดและปฏิบัติอย่างไรให้ห่างไกลกับคนแบบนี้ครับก็อย่าอยูอย่ใกล้เขาเลยถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าอยูอย่ใกล้กันเข้ามาทางนี้แล้วก็เดินไปทางนู้ น, า น, นราพยายามเลี่ยงกา ร, รพบปะกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้เงินขอทานบ่อยๆอย่างนี้เราได้บุญไหมครับได้ การช่วยเหลือสัตว์ที่อดอยากไร้ได้บุญน้อยกว่าช่วยคนใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าอยู่ที่การช่วยเหลือของเราว่ามากหน้อยถ้าเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันมันไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่เราไปช่วยเหลือว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ใจที่ให้การช่วยเหลือนี้จะมีความรู้สึกมีความสุขเท่ากัน จะต่างกันคือตรงที่มนุษย์ที่เราไปช่วยเหลือกับสัตว์ที่เราไปช่วยเหลื อ, อนี้เขาจะตอบแทนอะไรให้กับเราได้บ้างอันนี้อาจจะต่างกันขอโอกาสครับถ้ามีโอกาสทําบุญกับพระอริยสงฆ์เรามักทําเต็มที่ทั้งบํารุงครูบาอาจารย์ด้วยการภาวนาและทานแต่คนในครอบครัวมีมุมมองต่างจากเราว่าให้ทําทานที่พอดีจึงสงสัยว่าตนเองโลภ ทำบุญหรือว่าควรมีความเห็นหรือว่ามีความเห็นชอบครับการรวบในการทำบุญใ้ไม่เสียหายตรงไหนยิ่งมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีทำหมดหน้าต่างได้เรา ย, ยิ่งดีงไม่ต้องกลัวเรื่องความลมในการทำบุญใ้เป็นเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการเสียสละเป็นการตัดความยึดติดในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองจะทำให้ใจเรามีความสุข ถ้าเราต้องการชดใช้วิบากกรรมเจ็บป่วยร่างกายไม่หยุดเราควรทําอย่างไรครับยังมาเกิดนะยิที่สุดก็คือยังมาเกิดถ้าไม่เกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจใโดยเฉพาะความอยากเสพนุ่งเสียงกินแล้วต่างๆเอ า, า, าไปเป็นอยู่แบบนักบวชนักบัญญาติทำสมาธิเจริญปัญญาก็จะสามารถตัดก า, ารมาตัดหาความอยากเสพนุ่งเสียงกินแล้วได้ พอตัดได้ก็จะไม่ต้องกลับมาก่อเป็นมนตษดิบต่อไปขออนุญาตอาจารย์ครับเพื่อนๆครับคำถามใกล้จะหมดนะครับท่านที่อยากจะส่งคําถามส่งเข้ามาได้ตอนนี้นะครับ <S <S ถ้าเรามีศีลไม่บริสุทธิ์จะไม่สามารถภาวนาให้จิตสงบได้จริงไหมครับก็แล้วแต่ว่ามันเราไปกินเหล้ามาอย่ี้มันก็จะทําให้เรานั่งสมาธิได้เพราะมันเมา ในถ้าเราไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ก็อาจจะทําให้การานั่งสมาธินี้ลำบากก็ยังต้องคอยวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เราไปทำกับผู้อื่นอยู่อาจจะมีความวิตกกังวลในความหวาดั ว, ว่าเขาจะมาทําร้ายเราเป็นต้นถ้าเราไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเรารักษาศีลไม่ไปมีปัญหากับใครมันก็จะทําให้เรานั่งสมาธิได้ง่ายกว่าเท่านี้ ผมชอบปรุงแต่งกังวลกับเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงต้องทำอย่างไรครับต้องฟังเพลงเราเซลาก็ลาเลยไปฟังนิดเรไปค้นหาดูเขาบอกว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปแล้วห้ามมันไม่ได้สังเกตเ่าว่า what ever will be will be อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอันนี้เป็นปัญญามากเลยใช่ไหมครับอาจารย์ปัญญา มโนกรรมจะสำเร็จบริบูรณ์เมื่อไหร่ครับควาคิดเป้าก็สำเร็จละมโนกรรมก็คือความคิดนี่แต่มันไม่ได้นำยังไม่นำไปสู่การได้บุญหรือได้บาปอารจะได้บุญได้บาปจากมโนกรรมนี้เรื่องอยู่ที่ว่าเราเอาไปที่วาจารหรือที่การกระทําทางร่างกายหรือไม่เช่นถ้าเราคิดดีเฉยๆแล้วเราเราไม่ได้ทําอะไรนี่เราก็ยังไม่ได้บุญถ้าเราคิดดีแล้วเราต้องไปพูดดีทําดีแล้วถึงจะได้บุญ ก็พอโอกาสอาจารย์ครับชาติหน้ามีจริงไหมครับโอ้นี่พูดมานานนี่ตามหลักศา ส, ส, สนามีมีจริงตายแล้วไปเกิดใหม่หรือผู้ตายไม่ผู้ตายไม่ใช่เป็นผู้ไปเกิดใหม่ร่างกายนี้ไปเกิดใหม่ไม่ได้แต่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้คือจิตนี้จะไปหาร่างกายใหม่จะไปได้ร่างกายใหม่แล้วเป็นการไปเกิดใหม่เป็นการเปลี่ยนร่างดีๆนี่เหมือนกับ ที่สลด์นี้เขามีการเปลี่ยนฐานวิวัฒนาต่างๆเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตให้ได้ชั้นใหญ่ธรรมชาติก็จะเปลี่ยนร่างกายให้กับเราเมื่อร่างกายของเรานี่มันหมดสภาพอยู่ไม่ได้แต่ใจเราที่ยังต้องการมีร่างกายใหม่ก็จะไปหานัางกายใหม่มาเกิดใหม่อีกรอบหนึง่งอาจารย์ครับร่างกายใหม่ก็จะเหมาะสมกับจิตของเราด้วยใช่ไหมครับก็ตามตหน้าของโบสถของบาตที่เราได้ทําไว้ด้วยจะมีคนกระทบ ถ้าเราทำบุญมากกว่ บ, บาปเวลากลับมาเกิดใหม่ เ, เราจะได้น่างกาที่ดีดีกว่าเกาถ้าเราทำบาปมากกว่ บ, บุญเนี่ยเราจะกลัมาได้ร่างกายที่แยากกว่าเก่ากรณีในเรื่องของความอยากกินอยากอะไรต่างๆของคารวาะแต่โยมมีเป้าหมายว่าในอนาคตอยากไปทางธรรมขอแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการจัดการกับความอยากขนาดนี้ที่ยังเป็นคารวะอยู่ครับ ก็ยังว่าอาทิตย์หนึ่งก็วันพระก็ถือศีลแปดสักวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งการนด่งศีลแปดนั่นก็เป็นการห้ามเสียงรบเสียงกินลดในรูปแบบต่างๆไปทําบุญที่วัดแล้วจองถาดใส่อาหารที่พระฉันเสร็จแล้วคาหวานใส่เป็นโตกลับบ้านอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไปจองมันก่อนจะไม่ควรจะไปจองนะของที่เขาให้เอากลับบ้านนั่นมันของที่ควรจะเป็นของที่เหลือแล้วหมายถึงว่า เบื้องต้นในของที่สวายให้กับพระนี่พระท่านก็จะแบ่งกันตามความที่ท่านต้องการแล้วส่วนที่เหลือท่านก้าวมาให้ญาติโยมแบ่งกันกินอีกทีหนึ่งเมื่อกินกันเสร็จแล้วยังมีของเหลืออยู่อยาวๆกลับบ้านกกลับไปได้แต่ไม่ควรจะมานั่งจ้องพอพอของมองมาจากพระปุ๊บก็รีบจัดการตักใส่วิตโต้ของตนเองอะไนี้อันนี้มีความโลภต้องรอให้มันมีเป็นของเหลือก่อน ให้ทุกคนได้กินมหมดก่อนในซาลาพักก่อนแล้วก็ตามนิยมพอยมกินหมดแล้วยังมีของเหลืออยู่ใครอยากจะเอาตับไปบ้านก็เอาไปได้แต่ให้คนมาแย่ของที่เอาพรอมมาจากพระพร้อก็รีบไปแยกไปตักใส่เป็นโตของตนเองทําเป็นเป็นการกีดการทั้ญาติโยมที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้รับประทานอาหารด้วย มีคำถามที่พยายามถามอีกมาหลายครั้งแต่ว่าจริงๆแนละ้วพระอาจารย์ตอบแล้วนะครับตองใส่ตอนพระอาจารย์ตอบท่านไม่อยู่ครับบอกว่าการภาวนาฟังสวดมนต์ตามได้บุญเทียบเท่ากับเราสวดเองไหมครับถ้ามีปัญหาสุขภาพครับพระอาจารย์ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีสติมันก็ได้ได้ผลเท่ากันสวดเองก็ได้ฟังเข้าสวดก็ได้สติอย่าทําให้ใจเราสงบถ้าใจเราสงบก็แสดงว่าเราได้ผลไม่ว่าจะเป็นการ ฝังของคนอ น, น, นเองแล้วสงบนึกเสดเองแล้วสงบมันก็ได้ผลทัางฝันการเป็นถามครับเราจะวางจิตอย่างไรกับผัสสะที่มากระทบของสังคมที่วุ่นวายในปัจจุบันซึ่งบางครั้งก็กระทบกับอารมณ์เราทําให้ขุ่นมัวครับก็พยายามฝึกจิตให้สัตกแต่ว่ารู้ไปสักแต่ว่าได้ยินไปได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินอย่าไปมีปฏิกิริยากับเสียงที่เราได้ยิน เหนรูก็ให้เห็นเฉยๆไปอย่าไปมีปฏิกิิยาอย่าไปรักอย่าไปชังเป็นต้นเวลานั่งสมาธิจิตใจวาวุ่นใจยังไม่สงบบาปไหมครับทำอย่างไรจะให้สงบได้ครับอ๋อไม่บาปเอาเพลงใดอยางไม่ได้บุญนะนต้องพยายามจัดกสติให้มากๆก่อนที่าาจะมาเน่จะมาเน่าสมาธิแล้วใคจรจัดการสตินี้กาลังมันไม่พอ คุณแม่เสียแล้วเงินเก็บของคุณแม่เราสามารถนํามาใช้ได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่ามันเป็นกา ร, การได้บ้างอย่างชอบทำชอบทมของเราหรือไม่ถ้าไปขเขาโอนเข้ามาเซ็นต์ามทางก่อนไม่ ม, มอบให้กับคนอื่นแล้วเราเไปเอาของเขามาเ น, นี่ครับมันก็ไม่มันก็ไม่ถูกมันก็เป็นการกระทำบาสนั้นต้องเป็นของที่เขาให้เรามาโดยชอบทำก็จะไม่บาป ถ้าเราสวดมนต์แต่เผลอไปคิดเรื่องอื่นแต่ปากยังท่องบทสวดมนต์อยู่อย่างนี้จะได้บุญบ้างอยู่ไหมครับไม่ได้หรอกใจลอยก็เหมือนกับไม่ได้สวดดยูองการที่จะสวดนี้ต้องมีสติคอยกำกับใจให้อยู่กับการสวดเพีงอย่างเดียวแล้วจิตใจก็จะค่อยๆสงบลงได้ความสงบของจิตใจนี่แหละคือบุญอยู่ใกล้กับพ่อแม่ที่สุด มีโอกาสสร้างบุญที่สุดแต่ก็สร้างกรรมมากสุดทำอย่างไรดีครับมีปากมีเสียงบ้างครับก็ต้อใช้สติมากเวลาที่เราอยู่กับพ่อแม่พยายามเราลิกถึงท่านว่าท่านเป็นเหอพระเจ้าเป่นดินก็ได้เราเป็นข้มามหารเล็กต้องคิดอย่างนี้ถึงยังไม่กล้าที่จะไปพูดไปทำอะไรที่ไม่ดีกับท่านต้องต้องต้องสำรวจฐานะของเน า, าเราก็ออยู่กับท่านในฐานานะหน บางคนอยู่กับพ่อแม่ในฐานะเป็นผู้ใหญ่ก็พ่อแม่ก็มีคอย ม, มาควบคุมว่าคอยสั่งพ่อแม่ให้ทําอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ถูกเราควรจะทำตัวเราให้เป็ น, ปนคนรับใช้พ่อแม่อย่างดีกว่าถ้าคนที่เรารักมักทําผิดศีลข้อสี่และข้อห้าเราควรมีแนวทางแนะนําเขาอย่างไรครับเป็นห่วงครับก็แล้วแต่ว่าเขาอยากจะให้เราแนะนําำทำไม ถ้าก็ไม่อยากให้เราแนะนำก็อย่าไปแนะนำดีกว่าเพราะก็จะไม่ยอมรับคำแนะนำของเราอยู่ดีงั้นถามเขาก่อนขอแนะนำได้ไหมไม่ไดไ้ก็ไม่ต้องไม่ต้องแนะนำการเกิดใหม่เกิดเป็นคนต่างชาติหรือว่าเกิดเป็นคนชาติเดิมครับแล้วแต่โอกาสเป็นชาติเดิมก็ได้เป็นต่างชาติก็ได้เป็นเดราชฉานก็ได้ไม่จำเ ม, ม็นจะต้องเป็นมนุษย์เสมอไปด้วย ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทําไว้ถ้ายังไม่บาปมากกับบุญบาปก็จะพาเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้อยู่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องโชคที่บาปกับบุญในใจเราเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้เราไปอาบายได้โชคนั้วเราถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตยนี่ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีสุดตายตัวไม่แต่โอกาสแล้วแต่จงจะหวา ช่วงไหนมีใครตั้งท้อมก่อนก็เอาไปเกิดที่นั่นก่อนค่เร็วกว่าหรือเปล่าไหมทรับหรืออาจจะมีคิวก็ได้นะอันนี้เขาเจ้าบอกมันเรื่องที่มันอาจินตายอ่ะครับหนูตักป่าทุกวันครับวันไหนไม่ได้ตักจะรู้สึกเป็นกังวล น, นะครับอาจารย์เพราะมันเจ็ดนิสัยขึ้นมาแล้วตักมาตรแล้วมันมีความสุขมันมีความสบายใจพอไม่ได้ตักบานก็แล้วก็รู้สึกาขารอะไรไป พอทําทานไปแล้วรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้อิ่มใจแต่กลับมีความสึกแบ บ, แ บ, บเสียดายเงินแก้ยังไงดีครับแต่จิตเริ่มต้นตั้งใจทําทานนะครับก็ยพยายามฝืนทำไปเรื่อยๆช่วงนี้กิเลสมันยังต่อต้านอยู่ถ้าทำแล้วยังรู้สึกเสียดายยังสัสดงกิเลส ย, ยังต่อต้านอยู่ <S <S 2> <S 2> ต้องคิดว่าเป็นการเอาเงินไปฝากธนาคารในชาติหน้าเท่านั้นชาติหน้ามาเกิดจะได้รวยกว่าชาตินี้ครับ โอกาสพระอาจารย์เมตตาสอนให้ภาวนาอาสุภาษกรรมฐานเบื้องต้นครับอาจารย์สุภาก็มี2เรื่องแบบคือการดูอาการส2ของร่างกายเพื่อจะได้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายเพราะปกติเราจะเห็นแค่เฉพาะอาการภายนอกหรือนอกผิวหนังเราไม่ได้เห็นอาการตา่างๆที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังเราก็ต้องพิจารณาอาการสาสิบสองตแต่ของนเล็บฟันหนัง พอจากนั้นก็เข้าไปที่เนื้อจากเนื้อเข้าไปที่เอ็ไปที่กันดูไปที่ม้ามที่ปอดที่หัวใจต่างเหล่านี้นึกภาพเหล น, น, นี้ขึ้นมาถ้ายังนึกภาพไม่ออกก็ไปเปิดหนังสืออาณาตมีของหมอดูก็ได้มันจะได้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายว่าเป็นอย่างไรอสาสนะที่สามก็ดูทัศสภาพที่ร่างกายตายไปแล้วเวลาเป็นซากศพถ้าปล่อยให้มันเน่าเปื่อยไปมันเงี่ยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสภาพไป อย่างสภาพที่ง่าดูกลายเป็นสภาพที่ง่าดเปลี่ยนน่ากลัวไปขับรถนกอยู่บนถนนคิดว่าเขาจะหนีแต่เขาหนีตอนแรกตอนรถถึงไม่แน่ใจว่าเขาจะตายไหมอย่างนี้เราเป็นบาปไหมครับถ้าเราไม่ตั้งใจไปชนเขาก็ไม่บาปขอาการ์ดครับควรจะไปตุนจีนไหมครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อมันคือมันทำในวัน เ, น เ, เพนีของ ชนชาติเนี่ยคนจีนก็ก็ถือว่าเป็นเป็นประเพณีที่สำคัญเพรั่งก็ไปคริสต์มาสกันแล้วไป h ั้ง s g ีวิ n g กันคนจีนแล้วก็ไปจุดจีนอย่ก็เหมือนกันนะเป็นการไปพบปะญาพี่น้องร่มกันลูกมีปัญหาครอบครัวรุนแรงไม่สิ้นสุดเราเป็นแม่รับรู้ปัญหาตลอดขอคำแนะนำวิธีปฏิบัติใจให้วางให้พ้นได้ครับ ก็มองให้เขาพวกนี้ก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศก็แล้วนั่นเราไม่สามารถควบคุมเดินฟ้าอากาศได้คนจะต้องแดดจะออกน้ำจะเที่ยงก็ต้องหวหมันเปนไปตามตามเรื่องของเขาไปในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้แล้วถ้ายังทําอะไรได้อยู่ก็ทําไปถ้าเราสอนก็ได้บอกเขาได้อะสอนไปบอกไปถ้าสอนแล้วบอกแล้วเขาไม่ฟังเลยนั่นเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องทําใจมองว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไปเหมือนเป็นดินฟ้าอากาศ พระสงฆ์ที่เชียร์ให้คารวะาทำบุญาศาสนสถานอย่างนี้ถือว่าผิดวินัยหรือเปล่าครับเหมือนมีโลภะเข้าวัดครับเรื่องต่อกรดิพระสงฆ์ก็จะเทศเป็นกลางว่าทำบุญดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ไม่ไปเชื่อเชิญไปเรียองไรายไนั้นท่านจะไม่ทำความรู้สึกเช่นชอบชังหมั่นไส้อิจฉาเป็นกิเลสและเป็นเวทนาในขันห้าด้วยหรือไม่ครับ ก็มันเป็นก no, sí. no, e. yeah. ิเลสนะมันเกิดความเวทนาขึ้นมากับความทุกข์ใจขึ้นมาเวลามันสร้างครัญใจเราก็ไม่สบายขึ้นมาโกรธขวัญเกียดขวัญใจเราก็ไม่สบายขึ้นมาไม่สบายก็เป็นทุกความเวทนาขึ้นมาเราจะดับความโกรธยังไงดีครับเวลาทะเลาะกับพี่เราเงียบแล้วเพื่อดับความโกรธแต่เขาก็พูดจนเรามีอารมณ์ขึ้นมาอีกครับก็เดินหนีเนี่ยให้อภายเขาแล้วก็ยอมหยุดเย็นไง ยอมแพ้แล้วก็หยุดหยุดต่อซึ่งกันหยุดถูกเถียงกันนแล้ัก็เราก็เดินไปที่อื่นไปเสยใจเราก็เย็นพอตัวค้องน้ำไปก็ได้ผมไปใส่บาตรตอนเช้าแต่แถวบ้านโยมักจะพอใจกับการให้พระสงฆ์สวดให้หลังใส่บาตรกรณีผมไม่ประสงค์จะให้ท่านสวดให้หลังใส่บาตรเพราะสถานที่ไม่เหมาะสมจะมีวิธีบอกพระสงฆ์นั้นๆอย่างไรไม่ให้บาปครับ ถ้าเป็นวิวธีของเขาก็ปล่อยเขาสวดไปเถิเดยเดยอะๆนั่นเองบอกแล้วมันยุ่งยากเบาเบาเรื่องมากเบาเาถ้าเราไม่ชอบวิธีนี้ก็ไปใสยบาตรกับพระรูปอื่นก็ได้ที่เขาไม่ที่เขาไม่ ไ, มได้ให้พรกับเราก็เหมือนไม่ซื้อของซื้อของนั้านนี้แล้มันยุ่งยากก็เปลี่ยนไปซื้ อ, อร้านหนึ่งก็ได้ครับการทําบุญก็เหมือนกัรไปซื้อบุญไม่ได้สวดมนต์แต่กําหนดจิต จะได้บุญไหมครับแล้วแต่กําหนดยังไงถ้ากําหนดแล้วจิตสงบก็ได้บุญถ้ากําหนดแล้วไม่สงบก็ไม่ได้บุญหนึ่งบวชหนึ่งจีวรการจะทําให้หยุดการกลับมาเกิดไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่บวชกี่จีวรการอยู่ที่ว่าบวชแล้วหยุดกิเลสตัณหาได้หมดหรือเปล่าถ้าหยุดกิเลสตัณหาได้หมดก็ไม่ต้องไมจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอี ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ต้องเกิดในโลกนี้หรือมีโอกาสไปเกิดมนุษย์ในโลกอื่นหรือเปล่าครับก็เป็นไปได้เพราะบนดวงดาวของเราที่เราเรียกว่าโลกนี้มันอาจจะมีดวงดาวที่คล้ายๆกับโลกของเราที่มีมนุษย์อยู่ก็ได้นถ้าที่ไหนมีมนุษย์เยอ่โนวิญญาณก็สามารถไปไปเกิดที่โลกเหล่านั้นได้ อยากไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลจากจังหวัดที่อยู่สักหน่อยหาโอกาสไปที่เหมาะสมดีหรือไม่ครับมีแต่คนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยครับควรทําอย่างไรดีครับก็แล้วแต่เราในเรื่องของความศรัทธาของเราเราไม่ควรไปสนใจกับความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นบางครั้งเราทําผิดเรื่องสัมมาวาจาแต่ได้ขอโทษขออโหสิ ก, กรรมกับเจ้าตัวไปแล้ว แสดงว่าเรื่องที่เก่อไม่ดีจบสมบูรณ์ไหมครับจบเฉพาะกับบุคคลนั้นเขาไม่จองเวรจังตํากับเราแต่เรื่องของการผลของวิบากที่เราทำํำนี้มันไม่จบมันฟังอยู่ในใจของเราอาจะต้องไปเจอคนที่กำลังโกของเราแทนบาง ก, ก็ได้แลพูดในเสียงที่ไม่ไม่ดีกับเราก็ได้คุณแม่ตาเป็นต้อกระจกอายุ81หมอให้ผ่าตัดแต่แม่ไม่อยากผ่าากลัวครับ เราควแนะนําให้แม่ผ่าหรือตามใจแม่ครับแล้วแต่แม่เลยเป็นตัวตาของเขาชีวิตของเขาเรามีหน้าที่คอยสนับสนุนการตัดสินใจของท่านถ้าไม่ทําถ้าไม่ให้ผ่าก็ไม่ผ่าท่านผ่าก็ผ่าเรามีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือท่านกันดูแลไปท่านเองอยากทราบว่าไม่ได้ไปวัดอยู่บ้านทําทานทําใจให้มีความสุขอย่างนี้ได้บุญไหมครับท่านใจมีความสุขก็ได้บุญนะ เวลาคนใกล้หมดลมดึงสติอย่างไรให้สงบไม่ตกอบายครับก็ต้องฝึกตอนที่เราจะตายมาฝึกตอนที่ใกล้ตายทำไม่ได้อันนี้เราฝึกสติให้อยู่พุทโธไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนก็ได้แล้วฝึกสติให้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายแล้วฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจก็ได้แต้องฝึกไว้ก่อนไม่ใช่มาทำตอนที่ใกล้จะตายมันจะทไม่ได้ โรคทิปมีจริงไหมครับจริงให้ทานกับสรพสัตต์สิบสีป่ปีทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลยครับในขณะที่ให้ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ครับรผนยังไม่เกิดผนผลส่วนใหญ่ะเกิดในพรหมนาชานะวิผลของของบุญที่เราทาได้มันอย่างวที่มันนี้นเท่นมีสามขั้นตอน้วยกันขั้นตอนแรกที่เราจะได้ก็คือความสุขใจ เวลาทําบุญช่วยเหลือ ใ, ใครให้ความสุขกับใครเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอันนี้ผลแรกที่เราจะได้รับผลที่สองก็คือเวลาที่ร่างกายเราตายไปบุญที่เราทํานี้ก็จะส่งเอาไปสวรรค์ถ้าบุญขอเราทํามากกว่าที่เราทำไปสามหลังจากที่ร่างกับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมาเกิดดีกว่าดีกว่าผู้ที่ไม่มีบุญก็คือ บ, บุญนี้จะทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงร่างกาย อายุยืนยานะมีฐานะมั่งทั้งเป็นต้นอันนี้เป็นผลที่ตามมาต่อไปแต่ในปัจจุบันในสิ่งที่เราหวางได้เพียงอย่างเดียวที่แน่นอนก็คือเราจะมีความสุขใจเวลาที่เราทําบุญหากเราอยากเดินทางสายปฏิบัติมากๆแต่ยังห่วงเรื่องการหาเลี้ยงชีพควรคิดทําอย่างไรครับทำเดินทางใดทางหนึ่งนะมันด้วยกันไม่ได้ทั้งสองทาง วิญญาณโยมังครมาอยู่มันเป็นเดือนเป็นีก็มีนะครับอยู่ก็อาศยอยู่ปฏิบัติเหมือนพระเพียงแต่ว่ายังต้องข่าวอมเขาอยู่เท่านั้นแต่ก็ไปบันเบายกับพระมาช่วยถ่ายบาตรเนนาก็กินข้าวเส็จมื้อเดียว่าพระกลับขึ้นบนเขาก็ตามพระขึ้นไปบนอยู่บนเขาถ้ามันเป็นพระมันก็ได้ช่วงน่ายๆที่ไม่พรอมที่จะบวชชีวิตมีเป้าหมายสําหรับพบหน้าคือโสดาบัน โดยจะพยายามทําตัวตามมรแปดขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับอย่าไปรอพร้อมได้หรอกเพราะมันไม่แน่นอนแล้วก็พร้อมนี้มันแน่นอนกว่าพร้อมนี้เราเราจะจารได้ทําได้แต่พร้อมได้รเราไม่รู้ว่เราจะกเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่เราจะมาเจอคําสอนนี้เมื่อป่ปาก็ไม่รู้อันนั้นจะยากกว่างั้นถ้าจะกำหนดใช้กนนําหนดพมนี้ดีกว่ารีบไปบวชเสียตอนนี้ไปหาพระที่เป็นพระอริยะเป็นครูบาอาจารย์ นันก็จะมีโอกาสได้เป็นพระโสดาบาันได้อย่างแน่นอนเคยได้ยินคำว่าหินทับย่ามาหลายที่แต่อธิบายไม่เหมือนกันเลยครับขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายความจริงด้วยครับหินทับย่านี่หมายถึงสมา ธ, สมาธิสมาธิเวลาเราเข้าสมาธินี้จิตจะสงบความสงบนี้จะทำให้กิเลสไม่ทำงานเปรียบเทียบก็คือสมาธินี้เป็นเหมือนก้อนหินแล้วญ่านี่เป็นเหมือนกิเลส ตั้หาความอยากต่างๆเมื่เราเข้าสมาธิจิตนิ่งสงบ ป, ปับ๊บตั้หาความอยากก็หยุดทํางานทันทีแต่พอเวลาเราออกจากสมาธิมาก็เหมือนเราเอาเห็นที่ทัายากนั้นออกไปพอจิตออกจากสมาธิมาจิตก็นำคิดปุงแต่เริ่มสมัมผัสยรับรู้ ก, กับรูปเสียงกลิ่นรสตั้หาที่ถูกกดเอาไว้ก็จะออกมาทํางานต่อได้มันก็เหมือนกับญาที่เราทําไวปพอเราเ็เอาเห็นยกยกเห็นออกไป เดี๋ยวไม่นานพอได้น้ำได้แดดหญ้า ก, ก็จะร้องกลับกิดขึ้นมาทั้หม่ายได้ถ้าอยากจะให้เมื่อหานี้ตายไปไม่ไม่กลับมาเกิดแล้วเราต้องถอนรากของหญ้าออมาจาันทรอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้ตัดหากิเลสมันมไปอจากใจเวลาที่ออกมาจากสมาธิเวลาที่เราเหินออกจากการไปทับกิเลสแล้วพอกิเลสมันเริออกมาแท่งท่านเราก็ใช้ปัญญาถอนรากถอนโคนของขอ ง, ของกิเลสรา ราาของกิเลสก็คือความหลงความไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าสิ่งที่กิเลสต้องการเป็นทุกข์พอเราสามวรถสิ่งต่างๆที่กิเลสต้องการเป็นทุกข์เราก็จะไม่มีความอยากจะได้ต่อไปเราก็าจะตัดความอยากได้หมดอย่างสิ้นเชิงตัดกิเลสไปได้หมดอย่างสิ้นเชิงการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ทุกขณะจิตแต่เราพยายามรู้ตามอารมณ์แต่เราต้องถักกาหนด ไม่หรือไม่ครับไม่ให้เกิดการรู้เท่าทันอารมณก็คือไม่ให้อารมณ์มาสร้างความทุกข์ให้กับเราเราต้องสามารถรู้เรื่องก็ไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆที่ที่ปรากฏขึ้นมาได้ถ้ายังมีความทุกข์อยู่แสดงว่ายัางไม่รู้เราไม่เท่าทันอารมณ์ถ้ารู้เท่าทันอารมณ์ก็ต้องรู้ว่าอารมณ์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนันตตาอย่าไปหยาด ก, กับอารมณ์อารมณ์ีะเป็นยังไงก็รู้เฉยๆไป คนที่มีปัญหาสุขภาพสามารถจะบบรรลุสวดาบันได้ไหมครับใจเต็มร้อยนะครับได้มันอยู่ที่ใจ้โดยเฉพาะเวลาที่ร่างกายไม่เจ็บคข้ได้ป่วยนี้ก็เป็นโอกาสที่จะเข้าใจหลักธรรมได้ง่ายขึ้นเห็นทุกได้ง่ายขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นถ้าเาจากใช้ปัญญาไปฝึกปฏิบัติคอสปิดวาจามาสิบวันครับแม่อยู่ที่บ้านอย่างนี้ถือว่าละทิ้งหน้าที่หรือไม่ครับ ก็แล้วแต่ว่าเราต้องเรามีหน้าที่อย่างไรหรือไม่ถ้ามีหน้าที่แล้วไม่ทำหน้าที่เราก็ละทิ้งหน้าที่แต่ถ้าเราหาคนหนึ่งมาทำแทนหน้าที่เราได้ชั่วข่าวก็ไม่ไม่ไปการละทิ้งหน้าที่เต็ใดๆเราน่าจะเคยทําบาปมาถ้าเราบวชจะหมดกรรมไหมครับฌานนี้ไม่หมดนะต้องกรรมไม่กลับมันเกิดแตนยังไม่หมดฌานนี้แล้าแต่พระพุทธเจ้าไงต้องใช้กรรม ขอสอบถามแทนเพื่อนครับเพื่อนปรับทุกขเรื่องพ่อไวกยเกษียณมีมีพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ไม่ได้ใช้วาจาห ย, ยาบด่าคนในบ้านอย่างไม่มีเหตุผลดุลูกลุกหลานจนหลานเป็นโรคซึมเศร้าพยายามทำร้ายตัวเองปรึกษาแพทย์แต่พ่อไม่หยุดการกระทากลับหนักขึ้นเมื่อดื่มเหล้ามักเอาปืนออกมาขู่และพูดว่าจะยิงให้หมดหลายๆครั้งคนเป็นลูกควรทาเช่นไรครับเครียดมากครับท่าหนีได้ก็หนีไปเลย หมายถึงอยู่คนเดียวทำอะไรไม่ได้ไม่ทำาะไรทัานยังไม่ได้ทำาะไรอย่างมากก็นหนีอออขอความไม่ตาหลวงพ่อแนะนำการทำใจและการอยู่กับร่างที่ไม่แข็งแรงอีกครั้งด้วยครับเวลาปวดตามร่างกายหรือป่วยก็จ่อยทุกทีพยายามพุทโธพุทโธอย่าฟุ้งอย่าร้องไห้มันเป็นธรรมชาติก็เอาไม่อยู่ครับก็อมองร่างกายไปเหมือนมีน้าอาการ่ย มันแปบปวยมันเหนนฟ้าอากาศบางเวลามันก็ไม่เจ็บบางเวลามันก็เจ็บเราไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ได้แต่เราต้องอยู่กับมันแล้วก็ต้องทำใจไว้กับกันเอาอยู่กับเหนี่นฟ้าอากาศนี่คนจะตกแดดจะออกพายุจะมาจะหนาวจะร้อนเราก็ต้องทำใจอยู่กับมันไปถ้าเราทําใจได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน ฟังธรรมพระอาจารย์จนเลิกเพ่งเลง็งกำจัดมแมลงสาบในห้องพักจะปล่อยผ่านแบบอยู่ร่วมกันยิ่งปรับความคิดเช่นนี้มากรู้สึกว่าไม่ฝันร้ายรวมถึงการทำทานให้ได้ทุกวันด้วยมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ช่วยยืนยันด้วยครับถ้าทาบุญแนละ้วถ้าไม่ทบาบาปแล้วใจเราก็จะฝันดีถ้าคิดแต่เรื่องทบาบาปเราก็จะฝันร้ายเวลาสิ้นชีวิตจิตออกจากร่างทันทีหรือไม่ เพราะทักสินจิตสงบจิตละเอียดมากๆเหมือนไม่ได้หายใจและเหมือนไม่มีร่างกายแต่จิตรับรู้อยู่ตลอดครับจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตเป็นเหมือนเครื่องมือถือเครื่องหนึ่งกับอีกเครื่องหนึ่งร่างกายเป็นมือถือเครื่องหนึ่งจิตเป็นมือถือเครื่องหนึ่งเวลาที่ร่างกายหยุดทํางานก็เหมือนกับเปิดเครื่องของร่างกายไปจิตก็ไม่สามารถรับรู้เรื่องของร่างกายได้อีกต่อไปเวลาร่างกายหมดลมหายใจปั๊บจิตที่ ตต่อกร่างกายผ่านกระแสชงจิตก็ไม่สามารถรับรู้จากพลงายได้อีกต่อไปคำถามสุดท้ายค่ะพอาจารย์ครับสามีบอกว่าอยู่บ้านไม่คิดเบียดเบียนใครแค่นี้ก็ได้บุญแล้วจริงไหมครับก็ไม่จริงหถ้าคิดอย่างเดียวมันต้องดูด้วยการกระทาด้วยคิดไม่เบียดเบียนแต่พอถึงเวลาก็ถึงเวลาทําก็กลับไปทำทำําล้วก็ถ้าไม่ตรงกับความคิดมันก็ไม่ ไ, มได้คิดแล้วต้องทําด้วย ไม่เบีเ่ยงเบนใครถึงเวลาที่จะทําพำกา ต, ต้องทําด้วยถึงเวลาที่จะไม่เบีเ่ยงเบนก็ต้องไม่เบีเ่ยงเบนไม่ใช่เพราะว่าใครก็ทําำมาเราโกรธขึ้นมาก็ไปทุบตีเขารอย่างนี้เรายังไม่รู้เนี่ยความคิดเฉยๆมันคิดได้ค่ใครก็คิดได้แต่เวลาอยู่ในเหตุการณ์จริงเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะทำตามที่เราคิดได้หรือไมก็ต้องพิสูจน์ดูขอโอกาสครับพระอาจารย์ครั บ, าารบวันนี้มีเพื่อนๆดูในเฟซ466 ในยูห้าร้อยห้าสิบเอ็ดในกลับหกในติ๊กตอกสี่้อยหกสิบสี่ครับรวมหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดคนครับอาจารย์ครับก็ยังรังกษาระดับเดิมอยู่ได้นะก็ชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่มาร่วมสนทนาธรรมมว่าคงจะได้รับประโยชนม์มากบ้างไม่มากก็น้อยแัะสนับคืนนี้การสนทนาธรรมก็หมดเวลาลงพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ยงยิ่ยงขึ้นไปเถอสาธุขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังมาเพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุกัดข้างอันใดอาทิตย์หน้าก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในเวลาเดิมขอเจริญพรกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ